คำว่ไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้อ่ะค่ะทานตอนนี้หมายความว่ายังไงคะพ่อจันเขาให้ทานแล้วเขาไม่เชื่อว่าผลแห่งทานมีไงไม่เชื่อว่ากรรมกรรมมีนะกรรมดีกรรมชั่วมีไม่เชื่อว่าผลแห่งทา น, นถึงให้<ป>ทานเนี่ยยังเชื่อไหมล่ะ ว, ว่ามันจะส่งผลให้เราเราไม่เชื่อแต่เราก็ให้ไปอย่างนั้นนะะตรงนี้เหมือนกับการที่เราให้ทานแล้วไม่หวังผลไหมคะ ไ ม, ไม่เหมือนกันคนละอย่างรู <accumulation? S 1> ้ว่าผลมีแต่เราไม่หวังแต่นี่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลอะไรอ๋อค่ะเห <bien> มือนสักแต่ให่อย่างนี้เหรอคะสักโดยไม่ไเหมือนกับให้แบบส่งส่งอย่างนี้เหรอค ะ, อะเหมือนกันไหมคะก็มันก็อยู่ที่ว่าคนคนศักแต่ให้อย่างเงี้ยให้ส่งส่งอย่างเงี้ยก็คืออาจจะให้โดยไม่เคารดแต่เขารู้ว่าผลมีอย่างี้อ๋ออค่ะอันนี้คือไม่ไม่เชื่อว่าผลกรรมมีแต่ก็ให้ไป กับคนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะพระอาจารย์ที่อาจจะไม่เคยศึกษาเรื่องกรร ม, มถ้าเป็นเหมือนคนศาสนาอื่นแล้วเขาคิดว่าอันนี้ให้เพราะเขาถูกปลูกฝังว่าต้องช่วยเหลือสังคมอย่างนี้มันจะเหมือนกันไหมคะก็แน่นอนก็ให้ด้วยเมตตาไงมีจิตอนุเคราะห์แต่ก็ไม่เกี่ยวกับอันนี้ไงก็มันก็มีตั้งหลายมุมใช่ไหมคือคนนั้นก็ไม่ได้มุมนี้ไงไม่ได้ผลจากมุมตรงนี้อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คำถามค่ะอุยมได้ยินบางคนบอกว่าทุกข์เพราะว่าผิดหวังจากการที่คาดหวังทีนี้การคาดหวังนี่น่าจะอยู่ส่วนไหนของปฏิจจสมุปบาทคะพระอาจารย์คนหาไงความอยากกันคำถาอันนี้เข้ามาถึงอุปาทานหรื อ, อยังคะเข้ามาถึงอุปาทานอย่างแล้วแต่สิว่ า, ามันทุกข์ไหมล่ะ นะทุกค่ะ อ, อถ้าทุกก็แสดงว่าเรามีความยึดแล้วในในสิ่ง<อ>สิ่งนั้นค่ขนะขอบพระคุณค่ะ อ๋ออาสิเอาสิอ๋อได้ได้ได้เอาสิอ่าขอข้างหลังได้อ่าได้ พาราความไม่งามของกายที่เกี่ยวกับแล้วก็เรื่องอาหารที่ว่าคนเจ็บป่วยไข้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พอเวลาในบทสวดที่สวดนต์โยมไม่ค่อยเข้าใจการพิจารณาหรือว่าหรือว่าจะใช้อะไรแบบละนังที่อะไรอย่างเงี้ยอันไหนมันมันน่าจะแ่ายกวาันนะคะอาจอย่างเวลาเราอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจ็บป่วยจะพิจารณาอย่างไงนะคะให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟัง ก็ถ้าโยมบอกว่าอันไหนจะดีกับการอาตมาก็เชียร์กันละนันทินะเพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยก็ก็เชียร์ไว้มากนต้องทิ้งทุกอย่างใช่คะอใช่ใช่ก็ต้องปล่อยไปอ่เท่าเท่าที่ทนที่วกาด้นไมอ่ก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องความไม่งามกยพิจารณาอาหก็พิจารณาได้แต่โยมก็เอาไปทบทวนดูสิโยมพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งพบเกิดไหมล่ะ พเกิดพบเกิดมันจะตามด้วยชราหมรณะมันก็อันไหนมันเร็วกั น, นะ น, นใช่ไหมเราเร า, เราทิ้งพบไม่ให้มีพบเลยมันดีที่สุดไม่ใช่เลยใช่ไหมเพราะนั้นเราเราต้องประมวลสิประมวลคําสอนผู้เจ้าทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมผู้เจ้าก็บอกพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดแล้วเราจะไปให้มีการเกิดอีกทำไมใช่ไหมจิตเกิดปุ๊บนี่วางเลยเกิดปุ๊บวางวางวางวางหมดเลย ดีที่สุดมันได้หมดน่ะวิธีนี้ก็ได้นี้ก็ได้นี้ก็ได้แต่คนฉลาดก็ต้องเอาวิธีที่รัดสั้นง่ายน่ะก็คนมนุษย์มันชอบคิดเนี่ย สัตว์ทั้งหลายเนี่ยชอบคิดก็คือมันเป็นหนึ่งในขันท่าที่ยึดติดอยู่ทีนี้เร า, า, าเห็นความสำคัญหรือยังว่าการคิดแม้ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการตั้งขึ้นของวิญญาณขันและเป็นสิ่งนำมาซึ่งชาติชรามอนนะถ้าโยมเห็นประเด็นนี้เข้าใจประเด็นนี้โยมก็จะไม่ไม่อยากคิดอะไระพอคิดขึ้นมาปุ๊บรู้เลยเนี่ยมันจะจบที่แก่และตาย <c oughs> นั้นการเกิดไม่ดีหมดเนี่ยมันมันต้องมั่นมั่นใจในเหตุผลไงแต่ถ้าทําไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าทําไม่ได้ก็คือเพราะว่ายังติดที่จะคิดก็ให้ไปคิดเรื่องดีไงอืมให้ไปคิดเรื่องปฏิจจสุบาทคิดเรื่องความเป็นธาตุปินาณนะาโดยความเป็นอายนะ พิณาความไม่งามของกายอย่างนี้นะแต่ถ้าทิ้งได้ก็คือทิ้งเลยถ้ามีกำลังทิ้งได้ทิ้งเลยะ ไม่ต้องคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปได้เลยนะ <c oughs> ใครต้องการการนะติดตั้งโปรแกรมอีเจปิตกะใน iPhone, i p อ d เนี่ยคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปได้เลยนะในนี้ใช่ใช่ใช่ใ ช, ใช่กดค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะเขาอัน <c oughs> มัดเรียบร้อยแล้ว อ, อพระอาจารย์ครับ อ, อพระอาจารย์ครับอ ย, อยู่นี่ครับอาจารย์พระอาจารย์ครับอย่างที่พระอาจารย์บอกเรื่องเกี่ยวกับให้ละนันที่ไปเลยใช่ไหมนั้นเราเราก็ไม่ต้องพิจารณาว่าเห็นเกิดดับก็ได้ใช่ไหมพระอาจารย์ก็ขนาดละนันที่ก็เห็นเกิดดับแล้วไงอ๋อก็เห็น คือคือละไปเลยไม่ต้องไปรับรู้ไปไม่ต้องไปลงเน้นอะไรอะไรมากอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่รับรู้มาปั๊บวางรับรู้มาปั๊บวางก็มันจะไปเข้าวิธีสักแต่ว่ารู้พอดีครับครับอยู่ที่ใครวางเร็วขนาดไหนถ้าวางเร็วก็ไปเข้ามรรวิธีสักแต่ว่ารู้ครับคือถ้าเราไปพิจารณาเกิดดับมากอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นสังขารประเภทอย่างนั้นใช่หมอาจารย์ได้ก็อย่างนี้ก็พิจารณาเกิดดับได้เนี่ยอ๋อก็เหมือนกันเลยใช่ไหวางไปเลยยมไปคิดว่าการพิจารณาคือการคิดเนี่อย่างเดียวนี่ การเฝ้าดูเฉยๆก็เป็นการพิจารณาได้ครับเพียงเฝ้าดูให้เห็นมุมตรงนั้นนะว่าขณะที่ละนันทิมาเนี่ยปุ๊บอ๋อเกิดดับวางไปเลยอ่าเห็นเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นครับแค่นี้ก็ชื่อว่าพิจารณาแล้วเห็นแล้วครับก็จบแล้วอ่าแล้วขณะนั้นจิตขณะนั้นโยมก็เข้าใจเลยว่าไอ้นามาทำเมื่อสักครู่เนี่ยมันดับไปแล้วครับแสดงว่าตัวตนของมันยังมีชั่วคราวครับไม่ได้มีถาวร อย่างเงี้ยก็เข้าใจเดี๋ยวนั้นขนาดที่มั้เลยวังเลยฮะครับใช่พระอาจารย์ครับขอเรียนถามเรื่องที่วันเสาร์ก่อนนะอาจารย์ที่ว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราไปพูดจาที่ว่าที่มีคนถามอะไรอย่าคือไปดูหมิ่นหรือว่าอพระเอกบุคคลขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ทำที่บรรลุแล้วก็จะเสื่อมไปนี้ใช่ไหมอาจารย์นั่นคือเจตนาไงเจตนาไม่พระอาจารย์เรารู้ว่าเขาเป็นอะไรคนเราก็อยากจะดูหมิ่นดูถูกดูแคลนอะไรอย่างเนี้ ถ้าเจตนาเขาจะทำถ้าถ้าคนที่เป็นโสดาบันแล้วไปดูดูถูกหรือดูเหม็นดูแคลนคนที่เป็นอริยบุคคลขึ้นไปแล้วทํานี้จะเสื่อมไปไหครับทาารย์ทนี้จะเสื่อมไปความเป็นโสดาบันไม่เสื่อมอยู่แล้วไม่เสื่อมอยหแล้วโสดาบันก็จะไม่ทํากรรมที่จะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดอาจารย์เป็นวิสัยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ครับขอบพระคุณครับ ใครมาใหม่ถามได้นะผู้ใหม่แป่นภาพเป็น ที่บอกความสำคัญของพุทธวจนะนะสำหรับผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่ได้เคยทราบเป็นสิประพูต์ที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่ชัดเจนในสิประพศุน์นี้ก็จะทำให้เฉยฉายออกไปนอกทางนะจะไปสนใจคำที่แต่งขึ้นนะหรือคำของสาวกนะจะทำให้เราเป็นบริษัทที่ไม่เลิศ ที่เรียกว่าอุกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตานะเราต้องเป็นบริษัทที่เลิศคือพวกศึกษาคำตถาคตเท่านั้นนะจะเรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาและพระศาสดาก็ให้รักษากรารยานวัตของพระองค์นะอย่าให้ ก, รกรารยานวัตของพระองค์เนี่ยเสื่อมสูญนะนะก็เลยต้องช่วยกันรักษา องบอกภิกษุห้ามบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วนะละบัญญัติอะไรใหม่ไม่ได้นะต้องทำตามที่าศาสดาบัญญัติต้องมั่นใจว่ า, าศาสดาเก่งที่สุดนะเลิศที่สุดสอนดีที่สุดวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอนก็บอกไว้ให้แล้ว เราก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบและตอนตอนนี้นะสามารถสแกนค้นหาคำที่เราสงสัยเนะี่ยได้วินาทีเดียวก็สามารถทราบได้แล้วนะก็ถ้าใครสงสัยพยายามใช้เครื่องมือที่มีอยู่ที่ทำไว้ให้ในโปรแกรมของระบบ Android ก็มีของแอ p l e ิลก็มีนะ <c oughs> ในสสูตรเนี่ย ม, มันมันเรียงกันหรือเปล่ามาย่ถ้าเปิดเป็นกเนี่ยมันจะเจอแบบเจอที่ไหนในบาลีสามด้านหรอแ ต, แต่ในภะใตยวิดกครับ<อ>บ<อ>่โอ้มันกระจายอยู่เล่มโน้นเล่มนี<ช>้ทั่วไปหมดนะ อ, อย่างนั้นพระทวาที่แม่ก็ไม่ได้เปิดเผยอันนี้เลยกใช่ใช่เ<ๆ>พราะเขาไม่เจอแล้วเขาเขาจับตักกะไม่ได้แล้วหามาเรียงกันไม่ได้ไงอาจาร อสุดยอดครับหลายตื้อครับรูบล่ไปหมดเลยอ่าฮะใช่ท่นี้เราเราจับประเด็นได้พอดีไงเราจับประเด็นได้เนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มหาเหตุผลมามาสนับสนุนว่าผู้เจ้าเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่ไม่ให้ฟังคําสาวกหรือคําที่แต่งขึ้นใ ห, ใหม่เชื่อมั้ยอ่าอ่าทำนองว่ามันก็ปิดรูร่วงหมดแล้วนะ <c oughs> ผมเคยเอาไปให้ค น, คนเขาบอกว่าเขาเขาเคยเห็นอ่านแต่เดี๋ยวเขาไม่เคยเจอเพราะว่าอา่าฮะนี่ไงเราก็ให้ เ, เล่มข้อหน้าอยู่ข้างล่างทุกอันทุกพระสูตรอยู่แล้วอ๋ออันนี้แปลไว้ยังไงครไบฮะเนี่ยก็นะอังก็อังคุตตรนิกายนะอา่า โยมก็จะกดเล่มข้อหน้าเข้าไปในนี้ไอ้ตัวยอ่อมันก็มีให้อยู่แล้วเอ่อตามรอยทำเล่มใหม่ไหนน้อํารอยทาเล่มเล่มใหม่ไมเนี่ยนี่ไม่ใช่เล่มใหม่เล่มใหม่อาจจะมีตัวยอ่อให้ เดี๋ยวเอาตามลอยทำเล่มใหม่ให้ดูด <c oughs> มันจะมีเราจะทำตัวย่อให้ไว้นะใครได้เล่มใหม่ไปแล้วยมก็คีคำพวกนี้ไปในใเล่มมีเยอะ ยังงหยิบพระไตรปิฎกม า, าสำเร็มกันนะ <c oughs> เนี่ยอักษรยอ่อจะบอกตัวเต็มไม่ให้ <c oughs> เช่นมหาวิแล้วก็วิเนี่ยก็คือมหาวิพังแล้วก็วินัยปิฎกนะมหาแล้วก็วิก็เป็นมหาวักวินัยปิฎกอย่างเนี้ย อเอกจุดแล้วก็อังจุดก็เป็นเอกกานิบาตอังคุตระนิกายในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะแบ่งแต่ละเล่มเนี่ยเขาจะแบ่งอย่างหยิบเล่ม น, นี้มาก็าจะมีอะไรนี่ก็เป็ น, นขุทักกนิกายนะคาถาธรรมบทพระสูตรและอัตถกถาก็าจะเขียนไว้เล่มเนี่ยเป็นเป็นเป็นชุดอะไรนะ เพราะว่าในใน45เล่มเนี่ยกลุ่มนี้จะเรียกอย่างนี้กลุ่มนี้จะเรียกอย่างนี้จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ไงะนะอย่างนี้ก็จะเป็นอะไรนะมันต้องหยิบกระจายกระจายมันจะได้มีตัวอย่างอะไรหลายแบบอันนี้ก็เป็นสังยุตตนิกายขันธวาลวัชนะพระสูตรและอัถกถา เขาก็แยกไว้แล้วว่าพระสูตรก็คือคำพระพุทธเจ้าแล้วอัตถกถาก็คําที่แต่งขึ้นเนะีเวลาเราเราทำสามสิบสามเล่มตรงเนี้เราก็เอาสิ่งที่เขาเรียกว่าอัตถกถาเนี่ยออกไปให้เหลือแต่พระสูตรนะอ่าแค่นั้นแหละง่ายๆนะมันแยกไว้แล้วเป็นแต่เพียงขนาดที่ยังไม่ได้แยกเนี่ยเวลาโยมเปิดอ่านเนี่ยยมก็จะหาคําพุทธเจ้าไม่เจอสักทีนะพอเจอคําพุทธเจ้า จากนั้นก็จะมีการแต่งอธิบายขึ้นไป50หน้าถึง100หน้าอย่างเี้ยนะหรือ10 20หน้าแล้วแต่เขาจะอธิบายยาวโนะยมก็นั่งเปิดหาเปิดหากว่าจะเจอคำพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งอย่างเี้ยมันก็จะเป็นความลำบากในการศึกษานะนั้น <c oughs> ก็เลยต้องมีการทำเป็นพุทธวจนะล้วนอของท่านพุทธท่านมัน เนี่ยอย่างที่ที่ท่านพุทธทาสทามาเนี่ยก็คือเป็นพุทธวจนะทั้งหมดเวลาโยมอ่านเปิดอ่านเนี่ยยมก็ไม่ต้องมาคอยออสงสัยว่าเอ๊ะ อ, อันนี้ใช่คําพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือเป็นอัตรกระถาอีกนะใช่ไหมเปิดไปปุ๊บทุกหน้าเนี่ยจะเป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะจากนั้นเวลาอ่านมันจะได้ได้จำได้แล้วก็โยงใหญ่กันได้เลยนะอันนี้ก็คือเรา ทำมาครบทั้ง45เล่ม12เล่มท้ายเนี่ยอภิธรรมเนี่ยแต่งขึ้นนะก็ตัดออกไปก็จะเหลื อ, อวินัยปิฎกกับสุดตันตปิฎกวินัยปิฎก8เล่มกับสุดตันตปิฎก20เล่มในวินัยปิฎก8เล่มกับสุดตันตปิฎก20เล่มเนี่ยก็มีอัธกถ า, าอยู่ด้วยนะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้อย่างเนี้ยนะจะมีอย่างเนี้ยนะ อแปดเล่มเป็นวินัยปิฎกในแปดเล่มเนี่ยของวินัยปิฎกก็จะมีอัตถกถาแทรกอยู่เป็นระยะก็คือดึงอัตถกถาออกให้เหลือแต่พุทธวจนะนะแล้วก็เอามาอยู่ในเล่มนี้จากนั้นก็ใส่บาลีเข้าไปพุทธวจนะนะภาษาไทยอันเนี้ยตรงกับบาลีอันไหนนะก็ใส่บาลีเข้าไปให้ตรงกันแค่นั้นนะพวกหมวดหมู่นี้เขาก็มาจัดเองนั่นแหละนะมาจัดกันเอง ถ้าจะจัดตามพระาศาสดาก็ต้องจัดแบบอที่พรุทธเจ้าบอกว่าคำขององค์ก็จะมีสุตตะเคยะวยะิยาการณ์คาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตตะธรรมเวทละเก้าแบบอย่างเนี้ยถ้าจะจัดตามพรุทธเจ้า ก, ก็ได้อย่างนี้นะตอนนี้พระสูตรเหล่านี้ก็จะกระจายกระจายอยู่ในทั้งตู้อย่างเนี้ยนะแต่พระสูตรเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ใน จากพระโอษฐ์ของการพูดท่าห้าเล่มตรงนี้ก็เลยเลยหาไม่ยากเนี่ยนั้นอาตมาคล่องแค่ห้าเล่มตรงนี้ด้านอาริสัตย์ทั้งหมดเนี่ยมันก็โยงใหญ่ได้แล้วนี้ถ้าคนต้องการแตกฉานหลังจากว่าคล่องห้าเล่มจากพระโอษฐ์แล้วเนี่ยโยมก็มาเจาะในอีกสาสิบสามเล่มนี้ได้ใช่ไหมก็จะแตกฉานออกไปอีกเนะีนะ่ยอืม แต่ก็อยากให้มุ่งมุ่งเน้นที่ตัวห้าเล่มจากพระโอษฐ์นี้เป็นหลักนะเวลาอ่านเนี่ยเอาห้าเล่ม น, นี้เป็นหลักที่ท่านพุทธทาสทำไว้เนี่ยเนะ <c oughs> พราะมันเป็นด้านอริสสัตว์สีทั้งหมดคือองค์ความรู้จะได้ไม่แตกกระจายแบบกระสานสรั้นเซนเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บเรื่องนั้นเก็บเรื่องนี้มันกว่าเราจะมีภูมิปัญญาที่จะลิงก์กันทั้งสาสิบสามเล่มเนี่ยโย ม, มันยากนะอ่า แต่ถ้าโยมอ่านแค่ห้าเล่มเนี่ยนะโยมจะลิงก์กันอยู่ในสมองยังพอไหวนะอว่าไอ้พรสูตรนี้อยู่เล่มนั้นนี่เล่มนี้นี่เล่มนี้อ๋อมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันจะได้แต่สามสามเล่มเนี่ยแล้วก็ยังเหนื่อยใจอืม <laughs> สงสัยต้องอยู่กับมันเป็นแบบสิบยี่สิบปีน่ะแหละนะสามสามเล่มเนี่ยมันถึงจะจําได้ว่านี่อยู่เล่ม ส0ิบเล่มสองเล่มยี่สิบอะไรอย่างนี้นะอ่า อ, อือใช่ จ, จ, จด โ, โ, โน้ตตรงไหนตรงไหนเราะเพราหรือว่าชอบจดออ่าอ่าไปอีกหาไม่เจอล้อใช่จดจใช่แล้วยมคิดด <laughs> ูสิกว่าจะมาจะโน้มน้าวให้ยมพวกยมเชื่อได้ ยัจะต้องยืนยันพั ส, สูตรนี้พั ส, สูตรนี้เอามาขึ้นจอเอามาโอ้มันนีออ้อเก่งยากเหมือนกันนะไม่มีอาจารย์พโยมไม่ได้จัอืมคอจนื่อ่ใจมากคือคือต้องเชให้เห็นความสำคัญว่าอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องอันเนี้ยเท่านั้น เราถึงจะมาเห็นความสําคัญไนงะใช่ไหมแล้วจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะแต่ก่อนเรายังคิดว่าอันนี้ก็ได้อันโน้นก็ได้คําสาวกก็ได้คํานี้ก็ได้ก็เลยมันไม่ยิงตรงมาที่นี่ไงใช่ไหมแต่พอพระสูตรมันชัดเจนในแผ่นภาพเนี่ยสิกว่าพระสูตรว่าผู้เจ้าบอกไอ้อันอื่นไม่ได้ต้องตถาคตเท่านั้นภาพเนี่ยศูนย์รวมความรู้มันจะมาอยู่ที่คําศาสดาทันทีเลยใช่ไหมโยมจะเข้ายิงตรงมาที่นี่อ่าแล้วตรงนี้จะมีความสําคัญขึ้นมาทันที ได้ไหมก็เสร็จมาสองเล่มตอนนี้มันมันกลายเป็นว่ามันมันไม่มีเวลาที่จะทำนะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็จะมาจากสามสารใช่บวกบาลี บาลีไทยคู่กันใช่ใช่ห้เ า, <ๆ S 1> เ, าเล่มก็จะเนื้อหาห้าเล่มก็คืออยู่ในสาสิบสามเล่มนี่แหละ <c oughs> แต่ท่านี้ในสามสิบสามเล่มด้านอริยศาสตร์มันก็คือมันกระจายอยู่ใช่ไหมท่นีน้โยมต้องการรู้ด้านอริยศาสตร์ก็ถือว่าท่านผู้ท่านได้ทํามาแล้วระดับหนึ่งไงใช่ไหมมันก็ง่ายขึ้นก็เหมือนกับว่าคุณธรรมโสดาบันมันก็กระจายอยู่ในสาิบสามเล่มอย่างนี้โยม แต่โยมอ่านอันนี้ก็จบแล้วถือว่าเหนื่อยน้อยลงมีคนเหนื่อยแทนโยมมาก่อนใช่ท่านผู้ท่านก็เหนื่อยแทนเรามาก่อนรวมอริซัสสี่มาเล่นซะยีบสองปีใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยในสสเล่มันไม่แยกหรว่าอลิัสเล่หนอะไรเล่นหขไม่แยกไม่เขาเาแยกอย่างนี้เขาแยกวินยัยแล้วก็ธรรมะ วินัยก็แปดเลยเราไปแยกอย่างนั้นก็ไม่ได้ไงโยมเราจะทําตามบาลีสยมรัฐเลยไงบาลีสยมรัฐมีแค่ไหนเอาแค่นั้น<อ>เขาเรียงยังไงเราเรียงอย่างนั้นอ๋อเรียงตามเออออมันมันจะได้ไม่ใช่แค่เอาพุทพิจ้าออกอย่างเดียวอ๋ออัธกถาออกในบาลีสยามก็มีอัธกถาด้วยมีสิมีสิอืมอืมอืมใช อ๋ออ๋อยังยังเอาเอ า, เ อ, าอย่างนี้ก่อน <laughs> แค่นี้ยังไม่เสร็จเลย <laughs> ต่อไปก็คงจะเป็นหมวดอย่างนั้นได้ถ้าเนีย่ยรุ่นรุ่นต่อไปรุ่นน้ำบุ้น่ะรุ่นน้าบุญนะฝ <laughs> ากควา ม, มาหวังไว้กับ น, น้ำบุญ <laughs> เนี่ยก็เท่ากับ ว, ว่าท่านพุทธาพใช้ยี่บสองปีเนี่ยได้มาห้าเล่มใช่ไหมอ่าเนี่ยก็ยังยังของอาตมาอ่าสิบสิบกว่าปีอาตมาก็ดึงดึงมาได้อย่างเนี้ยสิบกว่าเล่มอย่างเนี้ยใช่ไหอ่าดึงมาย่อยย่อยให้ก็จะลงเป็นเรื่องที่ที่เป็นประเด็นในในสังคมแค่นั้นนะ อ uh huh. uh huh. นั่นก็เป็นของท่านผุ้ท้าที่รวมในส่วนของคุมทรัพย์กับอริสัต์พักต้นเนี่ยสองเรื่อง <c oughs> ตรวจภาพปลายก็ตรวจไปได้ครึ่งเดียวยัง <c oughs> เล็กครึ่งปฏิจจคืมปฏิจากก็มีแก้เยอะเหมือนกันนะ แต่จริงๆยมอ่านอันเดิมเนี่ยได้ของท่านพูดท่าเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าพออ่านไปเรื่อๆยอๆเยอะๆเนี่ยยมจะเห็นข้อผิดเองอะ่ะนะแรกๆก็ไม่เห็นหรอกพออ่านชำนาญขึ้นชำนาญเรื่อยๆอ่อจะค่อยๆเจอเจอเองอะ่ะใช่จะเอาวิดีโอทยอยขึ้นขึ้นในเว็บไซต์เข้าใน YouTube ไปเรื่อย อ, อ, อ๋อ่าฮะอืมก็ถ้าใครมีอุปกรณ์พวกมือถือสมาร์ทโฟนพวกแทบอะไรพวกนี้โยมก็โหลดเข้าไปได้นะเท่ากับว่าเรามีทั้งตู้ของบาลีสยามรัฐเนี่ยทั้งภาษาบาลีภาษาไทยอยู่ในนี้แล้วก็มีที่สำคัญคือมีโปรแกรมในการสแกนเนี่ยแอปเดียวนะโยมทราบแล้วว่า คำที่เราสงสัยเนี่ยมีไม้หรือไม่มีนะอยู่ตรงไหนบ้างนะจะตรวจสอบได้เร็วแทนที่จะมาคอยเปิดทีละหน้าไงกใใออ็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีนะมาว่าเปอร์เซ็นต์น้อยที่ไม่ค่อยเข้าใจ อ, อาจจะมีแต่พลาดไม่ค่อยเข้าใจ <laughs> เราพลาดให้ดูเข้าใจดีอ่าข้ามันสาว ก็มันเมีมีทั้งภาพทั้งเสียง ม, มีลหรออือลหะอ๋อปกติมีมีไ ม, ไม่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเรื่องนี้มากเหมือนกันว่าเวลามีภาพมีเสียงอะไรเนี่ยมันทร <c oughs> าบว่าบางทีมันมันมีเทคนิคหลายอย่างอะเราก็ไม่รู้ ส่วนใหญ่ถ้าถามเขาก็จะถามรายละเอียดว่าเป็นอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะบอกให้ได้ว่าเราติดขัดอะไรอย่างเงี้ยต้องถามคนที่มีความรู้ตรงนี้ มีมีมีมีใช่ๆอ่าอ่าอ่าแต่เฉพาะเช้าเนี่ยนะเฉพาะเช้าเช้าของวันนี้การถ่ายทอดสดมีปัญหามันมันล่มทราบว่ามันล่มตั้งแต่ที่กสท์สเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปตั้งที่กสท์เนี่ยล่มๆ่มทั้งชุดนอ่ตอนนี้เหรอ ตอนนี้ปกติแล้วใช่ไมโยมก็ไม่ทราบว่าโยมพอโลโอง่งปุ๊บโยมก็ิดขับรถออกถนนอ๋อยังไม่ยังไม่ทราบว่าปกติหรือยั ง, ย ง, งแต่หลังฉันยังไม่ได้ยังแก้ไม่ได้ตอนแกก็ฟังท่อาจารย์อยู่ที่บ้านคนปุ๊บเดียวหายหมดเลยกลาเป็นโง่เลยโยมก็เลยอกี้ก็ปิดสีเป็นุ๊บปิดละก็โทรไปเช็คแล้วก็บอกว่ามี เป็นปัญหาที่กสทนะแต่ก็โดนกันหลายเว็บเหมือนกันนะแต่เขาก็ว่ากสทก็มั่นคงที่สุดลวมัง้ง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ก็อาจจะให้จริงๆก็มีแนวคิดว่าจริงๆถ่ายทอดสดเนี่ยให้แยกเว็บด้วยอีกอันนะก็ดีก็เห็นถามท่านโต้เมื่อหลังฉันก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะที่เราก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้วยเซิร์ฟเวอร์จะจะแจกทีแรกนึกว่าต้องตั้งกล้องอีกชุดหนึ่งแต่ไม่ต้องในกล้องชุดเดียวกันเนี่ยกระจายไปให้ต่างเซิร์ฟเวอร์ได้นั้นอาจจะกระจายไปให้พุทธโครหรือพุทธโอดเพื่อมีการถ่ายทอดสด เพราะนั้นถ้าอ่มีเดียล่มะ่ะกม็มาดูที่พุตธโคดมาดูที่พุตธโอดอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็เคยคิดกันไว้นานแล้วว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องกระจายหลายที่ว่าอย่างน้อยต้องอย่าอยู่ในเขตเช่นเขตการไฟฟ้าเดียวกันเกิดการไฟฟ้าโซนนั้นดับเนี่ยมันจะมันจะล่มกันหมดเนี้ยอ่าก็ เป็นแนวทางอีกอันหนึ่งที่จะช่วยได้เหรอจะมากอยู่เหรออ๋อเรามาแจ้ง พอดีทีแรก <c oughs> ผู้บริหารที่ทำเนียบว่าจะมาวันอาทิตย์นี้พอดีว่ายังประชุมตกลงกันไม่ได้นะว่าจะานิโมนัตามาไปที่น่้นดีหรือว่ า, ามากันที่นี่ดีเป็นรอบสองอะนะคือรอบที่สองนี้าก็กะจะจะรวมให้ได้สักสามสี่ห้าร้อยในทำเนียบแล้วก็มาฟัง อันนี้ก็มีอีกผู้บริหารที่เป็นฝ่ายการเมืองสักสิบยี่สิบคนก็อยากจะมาที่นี่อย่างนี้ก็ก็เลยยังตกลงกันไม่ได้ในสองแนวทางช่วงนี้ก็จะว่างเหรอไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อ่น า, า, าอ่าใช่<ะ> อให้มาบูชาหนังสือให้ฮะเล่มมระใจรีิฎกเล่มหนึ่งแล้วก็มีประวัติพระพุทธเจ้าที่เขาเขาอยากได้เขาดูทางอินเทอร์เน็ตค่ะอืมเขาดูเสียต้นค่ะเหรออืมเล่นจากพระโอษฐ์เหรอเล่มใหญ่หรืออันไหนเนาะจำเขาบอกชื่อไหมเขาก็ไม่บอกแต่เขาบอกมีห้าเล่มนะเขาอยากได้พอมีห้าเล่มอ๋ออเล่มไหนไม่รู้เล่มแต่เข้าตอนเข้ามาโอษฐ์ห้าเล่ม เอาทุกเล่มอาเขาไส่งฝากเพื่อนไรฮะให้ส่งเล่มไหนไปก่อนเนาะเขาบอกว่าเอาเล่มพิดบดแบบชุดห้าเล่มมันเนาะปูนอาหาแบบประวัติพระเจาด้วยอ๋อพุทธประวัติด้วยเหรอพุทธประวัติยังไม่ได้ทําแต่ไปเอาที่ร้านเล็กเอ็มก็ได้เนาะร้านพุทธการได้อ่าเดี๋ยวจัดจัดให้ก็ได้นะ่ะอาเอาพุทธประวัติกับขุมขุมทรัพย์อ่ะ แล้วก็ทุ ส, สิบเล่มไม่รู้ยังพอมีกี่เล่ม น, นะลังจัดลังจัดไปให้โยมข่อนหน่อยนะแล้วก็พวกซีดีด้วยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวติดประสานกับโยมเขาเนาะ ถ้าเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะก็เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่กระทรวงเนี่ยนะให้ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องนะกระทรวงศึกษาอ่ากระทรวงศึกษาสำนักพุทธเนี่ยน่าจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้นะถ้ามีโอกาสแต่คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ก, กว่าจ ะ, ะสร้างความเข้าใจให้กว้างขวางในนั้นอีกนิดหนึ่ง เออเขาอ่านแล้ค่ะถ้าถ้าสำหรับเด็กปถมวัยนะคะพุทธวจนะเนี่ยควรเริ่มบทไหนพยัญชนะไหนก่อนเพื่อให้เขาทำความเข้าใจได้ง่ายๆอย่างน้ำมูลนี่ หนูว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะจำได้เหรอกเอาแค่ทรงจําไปก่อนอะปฏิจจสมบาทก็ได้ต้องจำไปก่อนก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปอย่างน้ำวุน้นพอท่องไปก็ไม่เข้าใจก็ท่าจะมาถามว่าชาติคืออะไรภพคืออะไรอย่างเนี้ยปฏิจจ์เลยนะจ๊ะปฏิจจ์สมว่าชราลัยเขาเข้าใจอ่าแก่ตายเข้าใจใช่มไหะชาติคืออะไรก็อธิบายเรื่องเกิด นะอย่างแก้วมันเกิดมาอย่างนี้ผ้ากว่าจะมาเป็นผืนก็ต้องมีการทอเอายายเอาลายแล้ไล่เรียงทุกอย่างมีการเกิดปรากฏต้นไม้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็ยังไ่ายากนะคะแต่ว่าถ้าเราปลูกฝังไปตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาน่าจะมีเวลาในการทำความเข้าใจจนโตใช่ใช่ขอบคุณค่ะ อายุกี่ปีกันแล้วนี่แค่ไหสิบหรอโอ้สิบท่องประสูรตรได้แล้วสองคนข้างหลังละกี่ปีนะสิบสองเหรอสิบสามหเหรอแลอว นี่หกขวบเริ่มแล้วนะอ่อ่าอ่าอาตมาว่าฝึกสมองเด็กนะอ่าแล้วจะมามองได้อีกมุมหนึ่งคือเนื่องจากคํามพรเจ้าเนี่ยมันลิงก์กันอ่ะสอดรับกันเชื่อมโยงกันทั้งหมดเนี่ยอาตมาว่าจะฝึกสมองให้เด็กเนี่ยรู้จักเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองจําได้จะทำให้เขามีปัญญามากขึ้น อ่าใช่ใช่ใช่ใช่แล้วเขาจะได้สำนวนคำพูดภาะศาสดาด้วยเขาจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะอืมอยอ่านอ่าน้อ่าอ่าฮอ่าฮรื่อง่าเ่อ่าฮะ ใช่บอกเว่าลรกคืออะไรงใช่ใช่หม อ, อเพราะว่าไปก็ก็ไม่ไม่ม อ, มอู่กับงานอืมอ่าเออหกครัวนะท่อพสูรต ร, รไหนได้บ้างหรือยังนาอนะมีไห อ๋อไหนลองลองอีกทีสิออกม่หน่อยผู้เข้าไปหาเป็ผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาผู้หลุดพ้นคืออะไรหรอครับคืออะไรใช่ไหมก็คือจิตที่เข้า <c oughs> จิตที่เข้าไปหาอารมณ์เนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไงแต่ถ้าจิตเราเนี่ยไม่เข้าไปหาอารมณ์เนี่ยเราจะพ้นจากความตายได้ เคยเห็นคนตายไหมเคยนะงั้นแ่ะคนเราเนี่ยตายได้เนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีแก้ตายว่าทำยังไงจะไม่ตายนะน่าสนใจมากมใกล้ๆต้องควตีละอันสองอัน อ, อย่างน้อยจำให้ได้ก่อนต่อไปพอจำได้แล้วก็จะเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้น อ๋อปัง ป, ป, งปงอนเาวิเคราะห์ได้เลยอ่ปังปอนนี่พอฟังพระสูตรมาสองปีในวิเคราะห์พระสูตรได้เลยนะ<ม>พอเห็นพระทมผิดหรือว่าคลายอะไรเนี่ยปุ๊บในพูดเป็นพระสูตรมาได้เลยอ่าเก่ง ท้องพสุตได้ไหมข้างหลัง <c oughs> ยังไม่ได้นะไม่เป็นไรเ <c oughs> พิ่งจะมาครั้งแรก <c oughs> อ๋ออ๋อต้องให้ดูตัวอย่างนำบุญอ๋ออ๋ออ่า เรื่องโกรธเมื่อเช้าก็ดีเนาะเ <Yeah. c oughs> นี่ยบุคคลผู้โกรธจะมีผิวพันธ์ซามย่อมนอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปาณาติบาตด้วยกายและวาจา ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัมเมาเพราะความโกรธย่อมถึงความไม่มียศยาตมิลสหายย่อมเว้นคนโกรธเสียห่างไกลคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญทำจิตให้กําเริบภัยที่เกิดมาจากภายในนั้นคนผู้โกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดไม่เห็นธรรม ความโกรธย่อมครอบงำนราชนในขณะใดความมืดย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วขอย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คนผู้โกรธย่อมแสดงความเกอ้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนในการใดความโกรธเกิดขึ้น คนย่อมโกรธในการนั้นคนนั้นไม่มีฮิลิไม่มีโอตะปะและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยเลยกรรมใดยังห àng, ่างไกลจากธรรมอันให้เกิดความเดือดร้อนเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังทานั้นไปตามลำดับ คนโกรธค่าบิดาก็ได้ค่ามารดาของตนก็ได้ค่าพระขีนาศก็ได้ค่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดาผู้นั้นให้เสียชีวิตความเป็นอยู่ได้ ยิ่งอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆคนโกรธเนี่ยฆ่าตัวเองก็ได้ย่อมฆ่าตัวตายด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างกระโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทํากรรม อันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวมานี้เป็นบวงของมัจจุราชอันมีถ้เป็นที่อยู่อาศัย <c oughs> ส่วนบุคคลผู้โกรธมีการฝึกตนคือมีปัญญามีความเพียรมีสมาธิพึงตัดความโกรธนั้นขาดไดนะ้เพราะนั้นเราต้องฝึกละความโกรธ ตัดความโกรธ ด, ด้วยปัญญาด้วยความเพียรด้วยสมาทิฏิบัณฑิตพึงตัดอกุศลแต่และอย่างเสียให้ขาดพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เกยยากอย่าได้มีแกเราทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความลิษยา ฝึกตนแล้วจะละความโกรธได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพานนี่ก็เป็นคำของพระศาสดาของเราที่สอนกับภิกษุทั้งหลายเรื่องของความโกรธก็ตัวควาคมโกรธไง อารมณ์ของตัวคนคนนั้นเนะ่ยไปจากภายในตัวจิตเน่ยนะนะที่ไปรับรู้อารมณ์นามธรรมยมคิดโกรธขึ้นมาไปพยาบาทอยากจะไปฆ่าคนนี้นี่ภายมันเกิดขึ้นแล้วจะภายในของยมนันเลยจจเเลได้หมดนะทุกเรื่องเลยกระส่งให้อะไรเนี่ยผิวพันธซามเนี่ยนะอืม จะนอนเป็นทุกข์ืะเยอะๆเลยผู้เจ้าบอก น้องยอเอาหนังสือเนาะ ต้องใจศึกษาไ ป, กไปไกลเผยแพร่ข้อมูลไปทั่วโลกแต่น <laughs> ี่เราก็ไปไกลด้วยตัวนี้นี่ ไปทั่วโลกเหมือนกันใครอยู่ตรงไหนทั่วโลกก็กดเข้ามาได้อืมอ๋อมันก็เวิร์กแบบจีนอ่ะนะก็พอได้อ่าก็ดีอยู่ตามราคานะอืม จริงอาตมาสิบแปดปียังไม่เป็นเลยแล้วก็บพานการขันอเดียวก็ไม่ได้ทำไม่เกี่ยวน ะ, น ะ, อะตอนก่อนบวชเนี่ยเดี๋ยวมือเดียวเดี๋ยวสามมือเดี๋ยวมือเดียวเดี๋ยวสามมืออ่าเดี๋ยวไปวัดเดี๋ยวกลับมากับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปรับเองใช่ พอยยมไปทานมื้อเดียวสักพักเนี่ยแต่และมื้อจะเริ่มทานได้เยอะขึ้นแล้วพอทานได้เยอะๆๆนานๆกันแล้วนะจะกลับมาทานสามมือ้อคิดว่าจะกินได้เยอะอย่างเดิมนะกินไม่ลงนะกินไม่ได้นะทานนิดเดียวมันก็อิ่มละออืมกทดลองตัวเองบางทีก็เป็น่กินากินได้แค่อมื้อกินมื้อนึงมก็ไม่กอืใช่ กูโบสด8ประการเนี่ยทานมื้อเดียวลองได้ กระจายไปมุมอื่นบ้างนะ ค, ครับจิตตั้งมั่นปล่อยวางนะครับกับจิตตั้งมั่นยังไคลนะไปกระเดินชานกับเดินมัค ก, นะก็ขนาดที่ที่เจริญฌานก็ชื่อว่าเจริญมัค แล้วขนาดที่มีปัญญาเห็นเกิดดับก็ชื่อว่าจเจเิญ ม, มัคเหมือนกันเพราะมัคนี่ก็รวมทั้งตัวสมถทานและวิปัสสนาไงมัคเป็นคำที่รวมที่กว้างแ ต, แต่จางขายเรารู้สึกว่าเขาจะเบื่อหแักเพราะจางขายออกนะเาะเปล่อยเบ็ดขาด้วยแต่แว่าเขาแต่เขาตั้งมันเขาเขาเข า, เขาปล่อยวางนี่ก็แสดงว่าเขา คือจางคลายมันก็มีสองอย่างนะตัวธรรมชาติจิตเองมันก็จางคลายของมันครับนะและความจางคลายอย่างคือเมื่อโยมเห็นทุกอย่างเนี่ยจางคลายเกิดดับเกิดดับเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีก็จางคลายจางคลายเพราะเห็นความจางคลายของธรรมธาตุทั้งหลายว่าธรรมธาตุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนจริงมีความเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดา เพราะนั้นความยึดมั่นที่เคยยึดถือไว้ก็จะค่อยๆจางคลายเหมือนกันที่เรียกว่าอวิชาจางคลายไปมันเป็นมาการหนึ่งที่มาถึงจุดทึ่ว่าดับใช่ไหมฮะใช่ใชทั้ ง, งั้งสองอย่างนี้ก็ก็คิดอยู่กับว่า พู้ที่จะบรรลุแบบไหระดับการเจระดับเนี่ยนะฮะอสัทธาไม่มุดกอยาิมุดปุ้ิยวิมุดปุณิยเจตุนมุดใช่อหมฮะาจะเขจะเทคเอาอย่างเดียวนะฮะว่าจะอ้างใครหรือจะปล่อยวางคือเขารูกเขาเองนะฮะขอบคุณครับใครผู้ใหม่นะ มีประเด็นอะไรก็ซักถามได้เนาะเช่นเนี่ยอขอใหม่ข้างหลังนิดหนึ่งนะสมไปข้างหลังเลยครับเนื่องจากาผมยังเป็นผู้ใหม่ในการปฏิบัตินะครับาาต่อมีความไม่เข้าใจอยู่หลายประเด็นต่อโอกาสพระอาจารย์และสัทธรรมิกด้วยนะครับ ผมอยากจะถามว่าในวงจรปฏิจจสมุปบาทครับจุดที่สำคัญที่เราสามารถที่จะวางนันทิได้คือผมไปนั่งพิจารณาจากจิตของตัวเองนะครับผมพบว่าเมื่อผมเจอพัศแล้วมันจะเกิดเวทนาเกิดขึ้นอยู่สามสภาวะใช่ไหมครับอาาคือชอบไม่ชอบแล้วก็อุเบกขาใช่ใชไหมครับจะถามพระอาจารย์ว่าตอนที่ระวางเบกขานี่คือการละนันทิใช่หรือเปล่าครับก็ใช่อยู่ ขณะที่ระวังเบกขาคือเราละนันทิในพอใจไม่พอใจอแต่ว่าจุดที่จะวางกุเบกขาเนี่ยผมพบว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่ว่าว้ในกุศลพัฒนานครับมีกุศโลบายหรือว่าข้อธรรมะที่จะให้โอกาสผมได้ไหมครับอาจารย์อ๋อก็คือเราต้องกลับมามีสติการระลึกได้กลับมาอยู่ที่กายเราเรื่อยๆนะก็คงไม่มีวิธีอื่น เนต้องอยู่ที่ทํามากทําบ่อยมันจะดีขึ้นครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้เข้ามากับพระอาจารย์เหมือนกันแล้วก็พระอาจารย์ได้ให้โอกาสบอกว่าเราเอาวิญ ญ, ญาณไปจับไว้ที่กายกับออ่อนาน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่อันไหนมีความเหมาะสมมากกว่าครับอ่ก่อนที่กายดูผู้เจ้าจะสรนเริญไม่มากกว่าอืมแล้วก็อีกประเด็นนะครับเมื่อวานผมได้อ่าน อริยสัจจากพระโคอภาคปลายของท่านพุทธทาสนะครับประเด็นมัชชีมาปฏิปทานะครับซึ่งมีบทสรุปอยู่ว่ามีสามสามระดับใช่ไหมครับระดับระดับต่ำระดับกว้างแล้วก็ระดับลึกซึ่งผมพบว่าในระดับต่ำเนี่ยมันจะเป็นมักมักปีงแปดตัวนะครับแล้วก็ในระดับลึกเนี่ย มันจะเป็นอ่ปฏิจจสมุตบาใช่ไหมครับอืมผมจะถามอขอความเมตตาจากพระอาจารย์ว่าในมันชฌิมาปฏิปทากับปฏิจจสมุติบามันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่ยังไงครับอืมข อ, ขออนุญาตผมยังไม่ไไมไม่ม่กระจายครับ อ, อ, อ, อ, อตัวมรคแปดเหรอคือตัวมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือตัวมรคมีองแปดนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นะซึ่งพระเ จ, จา้าจะอธิบาย ว่าตัวมรค8เนี่ยคือมัชชิมาปฏิปทาคือตัวปรมจันทร์นะปรมจันทร์คือมรค8คือมัชชิมาปฏิปทาคื อ, อกาลยาณมิตรนี่จะจะเชื่อมกันหมดเลยใช่หมดอันเดียวกันหมดและคือปฏิจจสุบาทด้วยปฏิจจสุบาทสายเกิดสายดับเนี่ยผู้เจ้าบอกเนี่ยแหละคือตัวมัชชิมาปฏิปทา ที่เจ้าตัดกับพระมหากัจจนะว่าสุดตรงสองข้างของสัตว์โลกนี้เนี่ยจะสุดตรงไปในทางมีกับทางไม่มีเรียกอัตติตากับนัตติตาแต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือย่อมแสดงดังนี้ว่าพ่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญ ญ, ญาณก็คือไล่สายปฏิจจาวงรอบเกิดวงรอบดับมานั่นก็คือตัวสายปฏิจจาก็คือทางสายกลาง เมื่อ พ, พระสูตรก่อนทางสายกลางคือมรคเมืงแปดเพราะนั้นทางสายกลางก็คือตัวปฏิจจ์แล้วปฏิจจ์ก็คือตัวอริสสัตตีอริสสัตตีก็คือตัวทางสายกลางมันจะเชื่อมกันหมดอันเดียวกันก็คือเป็นดังกันและกันอยู่อย่างนี้เลยใช่ใช่ใชถ้าถามพระอาจารย์เมื่อกี้ในอุเบกขาคืออมัชิมาด้วยหรือเปล่าในในใ น, ในสภาวะนั้นอ อ, อุเบกขาเหรอ อุเบกขาเป็นเป็นธรรมอันนึงที่ดีแต่ยังไม่ที่สุดนะเป็นสิ่งที่ต้องทํามากจเจริญมากนะแต่ตัวอุเบกขาก็เดินไปสู่ความดับไปเป็นธรรมดาไม่ไม่ใช่บิมุตย์ยังไม่ใช่ธรรมแท้แต่มันดีที่สุดในโลกนี่แหละนะในในโลกรธรรทเนี่ยอุเบกขาเนี่ยดีที่สุด กูเจ้าบอกพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้นโทษอย่างอื่นในอุเบกขาไม่มีโทษมันมีนิดเดียวคือมันดับไปได้นั่นคือมันยังไม่ใช่ทำแท้ยังมีชรลามรณะอยู่ผู้กําลังเดินมรรคจึงต้องวางจิตอยู่กับอุเบกขาเพื่อละสุดตรงสองข้างซะก่อนอุเบกขาก็จึงจัดเป็นมัชฌิ ม, มาในระดับเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง จากนั้นเนี่ยค่อยวางอุเบกขาอีกทีหนึ่งใครวางอุเบกขาได้ปล่อยวางอุเบกขาได้ก็ชื่อว่าวางอวิชานุสัยได้ใครวางความพอใจไม่พอใจได้เรียกว่าวางราคานุสัยกับปฏิคานุสัยใครวางอุเบกขาได้นะก็ชื่อว่าเป็นผู้วางอวิชานุสัยได้นี่ถ้าเราจับเวทนาตัวเดียวก็ได้นะหลุดพ้นได้เหมือนกัน พราะฉะนั้นครับแสดงว่าในแต่ละขั้นเนี่ยมันจะเกิดองค์ทำขึ้นแล้วก็เราก็ต้องวางเบกคขาในแต่ละขั้นอย่างนั้นใช่ใ ช, ใช่ใช่ใช่ถูกต้องอีกประเด็นนะครับคือเมื่อผมใช้วิญญาณไปจับไว้ที่กายมากขึ้นคือใช้การละอันที่ใช้อนาปณสติมากขึ้นมผมเจอแรงปฏิกิริยาโตอตอบกลับามาก็คือมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างนี้ มไม่แน่ใจว่าผมอ๋อแสด<อ>งว่า อ, อมันตั้งใจเกินไปนะต้องลดลดความตั้งใจและลดความเพียนลงนิดหนึ่งที่พระศาสดาจะเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือเราต้องหาความพอดีเรียกว่าหาความสมดุลแห่งธรรมเมื่อเมื่อเกิดอาการค่อนข้างจะหนักจานอย่างเช่นเวลาผมอทําสมถะเนี่ยมันจะปวด ที่บริเวณไหลอคือบางครั้งที่ที่แขนหรือขามีกุศโลบายในการเยียบนอนคลายใช้เปลี่ยนในรีบด์เอายมไปเดินนะถ้านั่งแล้วปวดหรือว่าบางคนก็จะมาปวดที่ขมับที่ตรงโน้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะยมไปเดินจงกลมนะเปลี่ยนในรีบดคือสบายสบายนะอ่านะพอเดินเมื่อยก็มานั่งนั่งเมื่อยปั๊บก็ไปเดินทําสลับกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่เราจะถึงความพอดีได้ อืมก็รายงานผลความคืบหน้าของทีมงานตอนนี้ก็ต้องปฏิจจารได้ทุกคนแล้วครับอแล้วก็ทุกเช้าก่อนเริ่มทํางานเราก็จะสวดปฏิจจารกันก่อนอทุกคนได้แล้วตอนนี้ก็กําลังเริ่มอธิบายความหม่ยกันแล้วก็ขอบขอบพระคุณท่านประอาจารย์ที่ให้โอกาสแสงธรรมสองทางครับอดีดีดีนี่เห็นไหมเอาธรรมะไปใช้ในองค์กรแล้วจะคุยกันง่ายเยอง คนมีธรรมะก็จะคุยกันง่ายเข้าใจไงคือแต่ละคนจะรู้จักอ่าบเบรกอารมณ์ของตัวเองรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองออ น, นี่เสริหมหน่อยครับตอนขนาดเดินจงกรมเนี่ยเรากําหนดว่าเราซ้ายหรือขวา ห, หมายถือว่าการเดินจงกรมใช่ไหม ต้องกำหนดซ้ายหรือขวาไม้ไม่ไม่จำเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติรู้สึกเฉยเฉยอ่ะยงรู้สึกว่าการก้าวไปแต่ละก้าวผู้เจ้าบอกการก้าวไปการถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนมีความรู้สึกตัวในขณะที่เรานั่งสมาธิเรากำหนดต้นหายใจอื้าออกแช่ขณะที่เราลุกขึ้นมาเดินออืเรากำหนดว่าตอนนี้เาซ้ายก็เดินแล้ ว, <S <S วใช่าา <S <S ใช่ใช่ไม่ต้องซ้ายต้องขวาก็ได้รู้รู้สึกว่าก้าวไปก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ย คือพยายามอย่าให้มีคำพูดในใจนะไม่ไม่ต้องมีคำพูดในใจรู้สึกถึงสัมผัสที่เท้าเราแตะพื้นไปอย่างนี้แต่ละก้าวแต่ละก้า ว, าวรู้สึกแค่นั้ น, นครับผมลกลับมาที่หนังสือพุทธศาสนาอีกครั้งนะึ่งยอ่งว่ามีความเห็นของความเห็นของสาวก ความเห็นนะฮะก็คือคาอธิบายของเขานะฮะแต่วิใช่เกิดจากความแปลนี่ใ่หมมันกับท่านผู้รู้าตเนี่ยออืท่านแปลมาห้าห้าเล่นเลยภาษาไทยนะฮะอแต่ก่อนน้านรู้เนี่ยแต่ต่าปไปดกเลยหรือว่าปริเสามันเอยเนี่ยสาวพกเขาเ็าเติมไปเติมความเห็นเข้าไปที่ไหอ๋อเติมเติมกับแปลคนละอย่างใช่ใช่เขา้แปลออกมาเป็นกับตกคาแบบผู้าติยิ่ใช่ไหมใช่ใช่ก็ก็อย่างนี้ไง อ, <c oughs> อย่างเงี้ยจะมีพระสูตรและอัตถกาถาทั้งพระสูตรและอัตถกาถาเนี่ยพระสูตรต้องแปลไหมแปลแปลครับอัตถกาถาก็ต้องแปลไหมแปลอันนี้แปลต่อแปลทั้งคู่อ่ะแต่แปลอันนี้คือแปลคำพูะเจ้าแต่อันนี้ก็คือแปลคำบาลีแล้วก็เป็นคำบาลีที่แต่งเองแต่งเองไปอีกไงประพันธ์เองอธิบายเองเพิ่มเติมเองอย่างเนี้ยอ่า ก็เป็นภาษาอธิบายเองต่อเติมเองเองก็เป็นภาษาบาลีเป็นอย่นี้มัก็เป็นภาษาบาลีเหมือนเดิมทีนะใช่ใช่ในบาลีศิยป์ใช่ใช่เหมือนโยมเป็นภาษาอังกฤษโยมก็เขียนภาษาอังกฤษขึ้นมาเองอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเองไปเรื่อยๆเหมือนกันนะอธิบายแบบเป็นความเห็นแต่ว่าไม่ได้แปลทั้งดุลไม่ใช่ไม่ได้แปลทั้งดุลไม่ได้แปลคำต่อคำออกมาไงเพียจางกำลังทาอยู่ที่นี้ก็คือจากภาษาบาลีเป็นไทย นะฮะ ท, ท, ที่ทัดที่ทำอย่น้ที่อยู่ประมาณสามสามเร hey ื่อนี้นะฮะแ ต, แ ต, แ ต, แต่ไม่แต่ไม่มีความเห็นเลยนะฮะไม่มีความเห็นไม่มีควา ม, มวัดทาย เ, เลยนะสิทธิ์นี่นะฮะอย่างเงี้ยเขาจะมีภาษาไทยอย่างเดียวใช่มครับแล้วในภาษาไทายอย่างเดียวก็จะมีมีสมมติว่ามีมีอีกเล่มหนึ่งเนี่ยที่ที่เล่มนี้เขาแปลมาซึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งหมดอย่างเนี้ยอ่า ท่นนี้เราก็เลยเอาภาษาบาลีในเนี้ยกับภาษาไทยในเนี้ยที่เป็นพุทธวจนะมาอยู่ในเล่มเดียวกันคือเล่มใหญ่นี้ อ, อ, อโดยไม่ต้องแปลอะไรก็ดึงดึงมาทั้งดุนเลยแล้วก็มามาม า, มาตรวจตรวจปุ๊อัดสอนอีกทีหนึง่งนะแล้วก็ถ้าเจอเอตรงไหนผิดก็จะเชิงอัดไว้ไม่ไม่ไปแก้ของเขาผิดก็ตามผิดไปนะอย่างเนี้ยอเออยังมี คนหลายคนยังเข้าใจผิดนะครับว่าอสาร์บล็อกเนี่ยให้ความเห็นเนี่ยอนึกว่าคำแปลของเขาด้วยแล้วให้ความหมายเพิ่มเติมไปด้วยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจะแปลแบบท่านพูรู้ท่านนะฮะหน้าต่อหน้านะฮะใช่ใ่เป็นภาษาไทยอย่างนี้ถูกต้องนะฮะใช่ใช่ที่นอกที่สนี้ไปแล้วถือว่าเป็นความเห็นอให้ความหมายเพิ่มเติมมาใช่ใช่เราไม่เอานะฮะใช่กลับกับใช่ตอนนี้วันนี้ผมก็ชัดเจนมากขึ้นห่อยแค่แค่การแปลอย่างเดียวโดย โดยไม่เติมความเห็นเนี่ยก็ยังมีลงรายละเอียดไปอีกมีความต่างกันของสัมนวนการแปลอีกอันนี้อันอันนี้อีกประเด็นหนึ่งอีกนะอประเด็นหนึอที่ดูกันการอิจฉาอภิสุทธิ์ทยได้มากน้อยแค่ไหนด้วยใช่แล้วการเป็นรักขมมากต่างๆพวกนี้ด้วยนะฮะอ่าก็ด้วยแล้วก็ความเข้าใจลึกซึ้งในตัวธรรมะนะอิรุตินะฮะอ่ายอมจะเห็นได้เลยว่าสัมนวนการแปลของ ของท่านผู้ท่านเนี่ยดีมากเพราะอาตมาว่าท่านปฏิบัติด้วยท่านมีความลึกซึ้งในการแปลจะดีกว่าสัมนวนของของอีกสองสำนักนี้<อ>นะซึ่งเป็นการแปลภาษาเฉยๆไม่ค่อยได้ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าโยมปฏิบัติไปด้วยโยมลองอ่านสองอันเปรียบเทียบกันโยมจะเข้าใจแบบนี้อ๋อแปลแบบไม่ได้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นะมันมันแปลภาษาจริงๆนะอ่า คือยกตัวอย่างให้ก็ยากอยู่ต้องต้องลองลองถ้าถ้ามีตัวอย่างอที่ผิดผิดจะลองยกมาให้ซึ่งเ จ, เจอเจอเยอะเหมือนกันจะรู้อ๋อแบบ้แปลภาษาอย่างเดียวมันเป็นอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูอาการจิตตัวเองเลยไงอย่างเงี้ยอ่าจริจริงเอ่อการทำหนังสือกกดังกล่าวนี้นะฮะอือฮึมันน่าจะเกิดขึ้นต้นต้นมาการแปลก่ อ, อนอ่าเขาไปถอดไปสัามวลอะไรต่างๆ อ่านี in ่ค uh ือการแปลจากภาษาหนึ in ่งนี่พี่ก็มาหาภาษาของเราเนี ambitious. ่ยมัน uh ก็ต huh. mm ้องเกิดข mm ึ hmm. mm ้น hmm. ก่อนนะฮะใช่ตอนนี้จะออกความเห็นไม่ได้อ่าฮะใช่ว่าคนอ่านก็าไม่เข้าใจนึกว่านว่าความเห็นเขาเนเขาเก่งแล้วอความเห็นนะฮะใช่มีพวกแปลหน้าต่อหน้าก่อนี่ใช่เราจะไปใช้สมุดที่แบบก็ได้อ่าฮะให้ถึงความหมายถูกต้องไะใช่ใช่ขอบคุณครับ อืถามได้ทุกเรื่องแม้จิปาถะเดี๋ยวแตมาจะโยงเข้าคำพระพุทธเจ้าเองอ่ะอ่ะฮะอนุตรธรรมเหรออืมมีหรือเปล่ า, น, น, าน้ออ่ะ ใครมีเครื่องมือช่วยคีย์ซิอนุตตะธรรมอดี๋ยมก็คีย์คำว่าอนุตตะนะอะ่นุตตระแล้วก็ทนะมเนาะทม เนี่ยมันก็กำลังสแกนหาให้ปุ๊บอ๋ออยู่ในอัตกถ า, าเกือบทั้งหมดเลย จะอยู่ในสุดตันตะมีสามอันดูอันแรกก็จะเป็นอัตถกถาเป็นหนึ่งละไปดูอันที่สองสิ อันที่สองก็เป็นอัธกถ า, าอยู่ในหัวข้อ1้3้าผ่านไปอันที่สามอนุตตธรรมนางวิสาขาถกกับใครเนาะ วิสาขาถกกันนี่ละมั้งภิกษุณีข้าแต่แม่เจ้าสังขารมีเท่าไรอันที่สามก็ภิกษุณีถกกนางวิสาขานี่สรุปแล้วยัยงไม่เจอคำพูดเจ้าเลยผลออกมาเนี่ยจะมีฮะอ น, นุตตรธรรม มีผู้เจ้ารับรองมั้ยอ่ามีผู้เจ้ารับรองเหรอตรงไหนเนา ะ, ะถกยาวเนาะ อ, อันนี้ยาวเมื่อพิสูจน์นั้นเข้าไปตั้งความปรารถนาในวิโมกทั้งหลายอันเป็นอนุตรธรรมอย่างนี้นะ อนุตตรธรรมจักนั้นแสดงว่าอันนี้ส่วนหนึ่งคือวิโมกทั้งหลายเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมอันนี้อันที่หนึ่งนะ ทำประทักษิศแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายพิพิวารแล้วนั่งหน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาทมกับธรรมตินาภิกษุณีให้ทรงทราบทุก ป, ประการเมื่อวิสาขาอุบาสกวิสาขาต้องอุบาสิกาสิเนาะในนี้บอกวิสาขาอุบาสกเนี่ยมันจะเจอแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันนะ แต่เราก็ไม่แก้นะเราก็ผิดตามผิดเข้าไปแต่ทำเป็นเชิงอาจไปให้เฉยๆกลาบทุนอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนวิสาขธรรมวิสาขธรรมะจินนภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากหากแม้ท่านพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเรานะแม้เราพยากรณ์นเนื้อความนั้นเหมือนที่ ธรรมติ น, นาพิกษณีพยากรณ์แล้วเนื้อความแห่งพยากรณ์ น, นั้นเป็นดังนี้แล้วท่านพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดอ่ะก็แสดงว่าผู้เจ้ารับรองแล้วนี่อืมอันนี้ก็เป็นคําพระศ า, าสด า, าได้เหมือนกันนะอ่าก็แสดงว่าตัวอนุตรธรรมในตรงนี้ก็คือตัวที่ <c oughs> คือตัวสมาธินะและธรรมที่เป็นไปนเพื่อความหลุดพ้นเนี่ย ให้คนปฏิบัติตามหลังหรือตามหลักตามหลักนี้ก็ต้องลงรายละเอียดสิว่าอนุตตรธรรมของเขารายละเอียดคืออะไรรายละเอียดในทาปฏิบัติมาเรียนไม่เหมือนกันาก็า ก, ก, ก, ก, ก็นี่คือคือประเด็นไงอย่างทุกคนก็บอกว่าทําสมาธิเหมือนกันแต่คนนึงเป็นนั่งสัน่นคนนึงเป็นนั่งนั่งโยกเยะโคมเพงรายละเอียดมันไม่เหมือนกันเนี่ยคนสอนอภิธรรม ก็ไปสอนคําที่แต่งขึ้นม่แต่อภิธรรมของผู้เจ้าก็บอกคือโพธิปักิยธรรมสาิบเจ็ดไส้ในไม่เหมือนกันยกชื่อมาเหมือนกันแต่ไส้ในไม่เหมือนกันเข้าใจไหมอ่าก็ต้องดูไส้ในอ่าเป็นธรรมที่ทําเครื่องหลุดพ้นไงอ่าที่ช่วยในการหลุดพ้นเช่นสมาธินะในเก้าระดับอย่างเงี้ยนะนี่สมาธิเข้าระบุเหมือนพระศาสดาไหมละ่ะ ถ้าเขาไปบอกคณิกาสมาธิอุปจาระนี่ก็แต่งขึ้นละคือไส้นายไม่เหมือนกันไม่ยอมต้องจำคำพูดให้ได้ผู้เจ้าถึงบอกอะ่ะใครสอนอยังไงก็ตามเธอกำหนดเนื้อความให้ดีจำให้นะจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาเทียบเคียงในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนใช่ไมะ ถ้าเข้ากันได้เทียบเคียงกันได้ก็ชื่อว่าทรงจํามาถูกเข้ากันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ก็แสดงว่าทรงจํามาผิดให้ละทิ้งคําพูดนั้นไปก็แค่นั้นเองง่ายๆอื ม, มันก็ต้องต้องมีตัวอย่างเนี่ยไม่มีตัวอย่างก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมอืม แลมใหญ่อย uh ่างเี huh. uh ้ยแล้ว huh. ก uh ็ล huh. uh ูกพเจ้าอยู่ยอดแล้วก็กิกาก็เป็นศาสนาอื้นคนต้นไม้จะปจะเขียนว่าอันนระแล้วเาก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสมุได้สำเร็จหได้ด้วยด้วยธรรมเนี้ยเพราะงั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติมนีพเจ้าสาเร็จโดยอเลสัสสี สำเร็จอรุอริยสัจสี่ก็ต้องดูสิอนตุตรลธรรมเขาแปลว่าอะไรล่ะของเขาเนะ่ยมต้องจําบทพิษนักเข้ามาไงแล้วก็รายละเอียดเข้ามาไงอืมอืมอ้าวไม่แปลแล้วจะปฏิบัติตามยังไงนะ่ะอ้อ อ, อ่านคือเ อ, อ, อาอ่านคือเดินเหรอนะสลุคือกินเหรอหรืออะไรอะ่ะมันจะทํำยังไงอะ่ะมีแต่ชื่อไม่มีลงรายละเอียด ท, ทายยําทํำยังไงอื พยายามที่จะจะให้เราไปศึกษาเเราดูหลกาื่อมันไม่ใช่้ออืมแล้วะนไปแล้วกันนะเขาก็อ ก็าาควาว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่มีในพุทธศาสนาอ่าฮะอ่าะคือคนจะหยิบเอาคำโน้นคำนี้มาอย่างเดี๋ยวนี้ก็หยิบเอาคำว่าปริวาสเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นเรื่องงานบุญงานกุศลอะไรอย่างนี้แต่ไส้ในไม่เหมือนกันคนก็จะหยิบเอาคำที่มันแปลกๆอ่ะซึ่งโยมไม่เคยได้ยินนะ ไม่เคยได้ฟังมาเห็นไหอย่างเนี้ยบางทีคานั้นเป็นคำภาษาสดาแต่ไส้ในมันไม่เหมือนกันอืมกร้คพวกนี้มีในพุทธวจนะแล้วถ้ามีเนี่ยพระพุทธเจ้าูอะไรอืมอือมเพราะว่าเขาเขาเอ่วี่คืองที่พุทธเจ้าสเร็จได้งั้นถ้าเราอยากสเร็จอย่างเงี้ยเราต้องตามนี้อืม อาตอมาถึงบอกว่าเรื่องตำราเนี่ยอยากให้มีตำราเดียวเข้าไปสู่ตำราเดียวคือบาลีสยมรัตน์โยมต้องถามเขาว่าใช้คำปีเล่มไหนอะไรเล่นไหนเอามาจากไหนถ้าไม่มีที่มาที่ไปก็คือเราก็ไม่สนใจนะอ่าใช่อ่า อ, อืม เราก็เอาสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเป็นเกณฑ์เนา ะ, <c oughs> ะพระอาจารย์ครับสนเรื่องมาจากวันที่ที่แล้วที่พระอาจารย์ได้รด้บทการแสดงธรรมที่บ้านกินกิตรีนะฮะแล้วก็ผมด้ดวยแล้วก็คอยเขาได้อัดตอนที่พระอาจารย์สดแสดงเรื่องผอู้ที่ผู้หลงนะฮะแล้วมีคุณขอไ้เยอะมากฮะ หลังได้รับทราบว่าเขออามีความผิดพลาดเนเทคนิคนะฮะไม่มีเสียงอัดได้เลยผมก็เลยเสียดายมากเลยลกาบขอขอบคุณอาจารย์ที่จะแสดงทางพกนี้ับโอ้ไม่เหมือนแล้วเนี่ยไม่เหมือนถ้าจำไม่ได้แล้วก็ทราบซึ้งมากครับอาจารย์ครับ <laughs> งันเดี๋ยวผมคอยวันวันที่สิบเก้าแล้วกันนะครขอบพระคุณครับอ่าฮะเชิญเชครับก็ผู้เก่านะครับอยาจะตัมคำถามมันสืบเนื่องมาจากอ่าประสูพศพศหนึ่งนะที่ที่มีว่า พ <bonito> ิสูจน์ทั้งหลายอาณาปานสตินี <tones> é, ่แหลคือทําเองอันบุคคลเจริญแล้วทําได้มากแล้วย่อมทําสติประสานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติประสานสี่อันบุคคลเจริญแล้วทําได้มากแล้วย่อมทำพุทธชงเจตให้บริบูรณ์พุทธงเจตอันบุคคลเจริญแล้วทําได้มากแล้วย่อมทําวิชาและวิมุตต์ให้บริบูรณ์นะครับอาณาปานสตินั้นพอเข้าใจการมีวิชาและไปถึงวิมุตต์ก็พอเข้าใจจากกันที่ ได้สะสมสุตะจากพระอาจารย์มานะแต่แต่ในเรื่องของการทําให้บริบูรณ์ซึ่งอนาปานาสติอขอแปลซึ่งสติปัฏฐานสี่แล้วก็โพชฌงเจ็ดอันนี้ไม่ทราบว่าวผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับคือการแทนตลอดซึ่งสติปัฏฐานสี่ก็คือการวาาิจาริตธรรมแล้วก็โพชฌงทั้งเจ็ดข้อหรือว่าเราเราจะต้องเข้าไปปฏิบัติในแต่ละข้อให้ใหรู้แจ้งถ่องแพร่อันนั้น<อ>คือความหมายของการให้บริบูรณ์ครับ อ๋อแต่ละข้อทําข้อเดียวก็ได้เพราะครูเจ้าก็อธิบายสติปัฏฐานสี่อันเดียวแล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงวิมุตต์เลยไงะนะเพราะสติปัฏฐานสีอันเดียวก็ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยถึงความบริบูรณ์ละนะกายาอันเดียวก็ได้กายานเดียวก็คือรู้ลมหายใจอย่างเดียว คุณเจ้าบอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเนี่ยเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้พิสูจนนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสและมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้จากนั้นจากตรงเนี้ก็กระโดดไปที่โพชฌงเจตเลยว่าพิกษุนนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมเนี่ยนะไม่ลืมหลงนะเราตั้งลมไว้อย่าลืมหลงนะใช่ไหมจากไม่ลืมหลงก็มีธรรมวิญญนณะ วิริยะปิติปสัสติสมาธิอุเบกขาปุ๊บปะทำวิชาวิมุตให้เกิดขึ้นได้อันนี้หมายเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั้นจะกล่าวภาพกว้างไว้ก่อนออือจะไปอ่ระบุไปว่าจะต้องเจริญเฉพาะอันหนึ่งอันใดอันนี้ถูต้องไหครับในการอธิบายนั้นมันเป็นมันเป็นการบอกประเด็นไปในตัวกับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันสมบูรณ์ในตัวมันเอง เพราะว่าเมื่ อ, อนาปาจเจริญอนาปานะใน4กลุ่มจเจริญอนาปา1 2 3 4งี่สี่กลุ่มที่พุทธเจ้าแบ่งเอาไว้นะว่าหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออสั้นรู้ทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทํากายสังขารให้ลํางับนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติซึ่งสุขซึ่งจิตสังขารทำจิตสังขารให้ลำงับอีกอันรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตอีกอันก็เห็นความไม่เที่ยงจังคลายดับไม่เหลือกลุ่มนี้อนาปาเนี่ยทำอย่างเนี้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ใน4ี่กลุ่มชื่อว่าอานาปาบริบูรณ์จากอนาปาบริบูรณ์ปุ๊บใน4ี่กลุ่มนี้ <c oughs> จะเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐานสี่ก็จะมี4ี่กลุ่มในอนาปาทั้ง4ี่กลุ่มนี้สามารถทําสติปัฏฐาน4ีให้บริบูรณ์ได้เมื่อสติปัฏฐาน4ทั้ง4ี่กลุ่มเนี่ ย, าาะ น, ะ น, น, ยนะกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งบริบูรณ์เนี่ยผู้เจ้าก็ไปว่าขคดชงเจตจะบรบูรณ์วิมุตจะบริบูบรณ์พระองค์พูดซ้ําเหมือนกันทุกอย่างเลยที่ต่อจากอนาปามาสู่สติปัฏฐาน4ี่ ในส่วนเวทนาเปลี่ยนแค่นิดเดียวว่าเป็นเวทนานอกนั้นบทพัานาใช้เหมือนเดิมแล้วก็พูดชงเจ็ด บ, บริูรณวิมุตต์บริบูรณ์พูดซ้ําเหมือนเดิมอีกโดยที่เป็นส่วนของอนาปา ท, ที่เป็นส่วนของจิตตานะก็จะทําให้สติปัฏฐาน4ี่ในส่วนจิตตานุปัสสนา บ, บริูรณ์พูดชงเจ็ด บ, บริูรณวิมุตต์บริูณแล้วก็พูดซ้ําเหมือนเดิมการที่พูดซ้ำเหมือนเดิมทําให้เราเห็นว่าด้วยขั้นตอนเดียวเนี่ยมันไปได้ตลอดทั้งสายถึงวิมุติ แล้วตัวที่สองก็ไปได้ตลอดทั้งสายถึงวิมุตต์นั่นแสดงว่าทําแต่ละตัวเนี่ยมันทําได้ถึงวิมุตต์ได้หมดทําตัวเดียวก็ถึงวิมุตต์อันนี้ก็ถึงนี่ก็ถึงนี่ก็ถึงได้หมดสมบูรณ์ในตัวมันเสร็จนะครับขอบคุณครับเราต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กับที่มีเมตตาถ่ายทอดในเรื่องพุทธวจนะเราผมเองนั้นก็ปฏิบัติมาพอสมควรนะครับก็ได้เห็นความแตกต่างว่าการที่เราปฏิบัติ ในสิ่งที่นอกแนวคําสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้ากับการที่เราเข้ามากลุบในคำสอนที่แท้นั้นอา น, นิสงส์งมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงออ ต, ตัวกิเลสราคาที่บางครั้งเป็นตัวแรงๆที่เราเอาไม่ก็จะยอยู่นะฮะเจอมันดีไล่ก็ก็น่าจะแพ้ ส, ส่วนใหญ่แต่เมื่อได้มากลุกกับเรื่องของคําสอนที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับรู้สึกว่ามันมันก็เริ่มที่จะมีกําลังนะครับในการต่อสู้กับกิเลสได้ดีนะอื อันนี้เห็นเห็นเป็นอันดิสงจริงๆครับอืแล้วแล้วแล้วก็เรื่องการปฏิบัติอีกอย่างที่คนทัาวที่จะเห็นผลชัดเจนก็คือการปฏิบัติที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าทําได้สามเวลาก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> ช้าวอ <c oughs> งวันเด่นอะไรเงี้ยอผมอว่าตื่นมาเนี่ย <c oughs> ก็พยายามเจริญสติสักปักหนึ่งนะรู้สึกมันเป็นกรอบที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะต้องไปเผชิญกับอัปส า, าทางโลกที่ค่อนข้างรุนแรงก็ตามนะอืกับก็ กับองอื้นครับตอนเช้ารู้สึกทำลำบากตอนตอนเช้าเหละแต่จริงๆตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีนะส่วนใหญ่ในตอนเช้าเนี่ยจะโอ้ทำวิยาหรืออะไรเนี่ยจะบันเจิดนะหรือว่าถ้าสงบก็จะนิ่งได้สงบได้ดีนแะสดง ว, ว่ายังไม่ฟื้น เออก็ช่วงตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือยามสามอะยามสามยามสามตั้งแต่ตีสองไปอ่ะนะผมก็ทาอย่างนี้ฮะตีสองตีสามตสี่นะ้ยยัไม่เห็นแสงอาทิตย์นะฮะมันสงัดนะสังกัดครับมันสังกัดเงียบเนะยเดินจงกรมก็เงียบนะดีได้ความมิเพีงจะเห็นจิตเราชัดขึ้นนะนะว่า ไอ้ความวิเวกเนี ou, violated, aprender, like ่ยมันช่วยได้มากนะเราจะเห็นอาการจิตที่เคลื่อนไปมาไปมาทํางานกันอยู่เนี่ยนะอืมโอ้ได้ประโยชน์มากอืยว่าเจ้าจึงบอกมันเกื้อกูลไงความสงบสงัดความวิเวกมันเกื้อกูลอืมนะ คือเราอยากทสมาธิแต่แม่อยากูละครก็จะตีมีคำถามอย่างผู้ใหม่ทั้งหลาย แต่ฟังคําถามจากคนอื่นก็ได้ประโยชน์นะพระศาสนาจะเรียกวา่าเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นหนึ่งในองคุณสิบเอ็ดประการของผู้ที่ควรเจริญงอกงามภัยบุญในธรรมวินัยนี้ก็คือเขาไม่ได้คุยธรร ม, มะกับเราหรอกแต่เราเงี้ยโสดลงสดับในธรร ม, มะตรงนั้นเนี่ยก็สามารถรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดซึ่งทำได้บรรลุทําได้เหมือนกัน นั้นใครยังไม่ได้ถามนี่ก็ใช้การนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าขอโอกาสขอโอกาสพระพระอาจารย์ uh huh. ขออีกคำถามน uh huh. ะเช่นพอดีโยมเคยมีคนมาถามมาโพสในเฟซบุ๊กโยมพยายาม uh huh. อธิบายเรื่องธรรมะแล้วโยมก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ uh huh. แต่ว่ามีอยู่คำหนึ่งเขาพูดว่าเป็นโลกียะฌาน uh huh. ค่ะโยมก็เลยมาเสิร์ชดู ไม่มีค่ะไม่มีคําว่าโลกีจกะแชร์ค่โยมก็เลยเิอคําว่าโลกีแล้วมันมีพระ ส, สูตรหนึ่งที่บอกว่าท่านโคธิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรจิตมั่นคงอยู่ได้บรรลุเจโตเอยเดี๋ยวนะคะบรรุเจโต ว, วิมุตติอันเป็นโลกีท่านทําอย่างนี้ได้ถึงเจ็ดเดี๋ยวนะเจ็ดครั้งสุดท้ายท่านก็เกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เสื่อมจากเจโต ว, วิมุตติอันเป็นโลกี ถึงหกอ๋อถึงหกครั้งแล้วถ้าอะไรเราจะพึ่งนำศาสตรามาคือโดยหลังๆพระสูตรก็คือท่านโคติกะเนี่ยก็บรรลุแล้วอะค่ะทีนี้โยมก็เลยไม่เข้าใจว่าเจโตวิมุตติอันเป็นโล ก, กีนี่คือเป็นยังไงอะคะพระอาจารย์เจโตวิมุตติอันเป็นโล ก, กีค่ะ <c oughs> พวกเนี้ยพวกนี้เป็นโล ก, กีก็คือโลกอะน ะ, นะโลก เกี่ยวข้องด้วยโลกยังไม่หลุดพ้นไปจากโลกได้การมีญาณอย่างรู้อดีตชาติหนึ่งสองสามสี่พวกนี้ก็ยังเป็นเป็นโลกีหมดนะเกี่ยวเนื่องด้วยโลกยังเป็นปรูปปัญญาความสงบอันเนื่องด้วยรูปนะแล้วถ้าสมาธิพวกนี้น้อมไปทำอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพวกอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนี้ก็เป็นโลกีเหมือนกันเป็นทำฝ่ายโลกยังไม่ใช่ไม่ใช่ทำฝ่ายโลกุตละ คนรู้อดีตได้นาะคนได้กําหนดจิตคนอื่นได้ก็เป็นทําฝ่ายโลกทั้งหมดทําฝ่ายโลกีไงในส่วนที่เป็นเจโตวิมุตต์โลกีถ้าอย่างนั้นปัญญาวิมุตต์มีเป็นแบบโลกีไหมครับไม่อันนี้เป็นเจโตวิมุตต์ที่เรียกว่ากลับกําเริบไงจะมีคําพูดมันเหมือนกันนะ่ะว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่กลับกําเริบออนะ เพราะพวกปฤภาชกหรือพวกสมภามเหล่าอื่นทั้งหลายเขาก็มีวิมุติของเขาเหมือนกันมีนิพพานของเขาเหมือนกันอันนี้ระวังให้ดีคําที่มันมันซ้อนกันเพราะเขาใช้คําเหมือนกันคําว่าพราหมณ์ว่าพรหมต่างก็ก็แย่งคํากันใช้อะ่ะนะพรหมคือผู้สูงสุดเหมือนกันศาสนาเราใช้คําว่าพรหมก็มีแต่ความหมายคนละอยา่างว่าอะไรคือพรหมอย่างเนี้ยอืมเดี๋ยวไปให้คนณตอบอ่าจ คติอีกคาถามค่ะพระอาจารย์คติที่ไปเนี่ยมันจะมีคติเทวดาเทวดากับพรหมจัดเป็นหมวดหมู่เดียวกันหรอคะกลุ่มเดียวกันจะมีที่พระเจ้าบอกว่าพรห ม, มกายิกานางเทวานางเป็นเทวดาที่ได้กายพรห ม, มกายิกานั้นแสดงว่าพระเจ้าจัดพวกพรหมก็คืออยู่ในกลุ่มของเทวดาเทวดาจะเป็นคำกว้างรวมพวกพรหมพวกเทวดาด้วยกันทั้งหมดนะ <c oughs> เริ่มใช้คุ้มแล้วนะาะมีอุปกรณ์ต้องใช้ให้คุม้มนนนนโหลดสิบเล่มเล็กลงมาด้วยใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อดีดีดออา่ามันจะแตกลูกไปได้มากมายเลย <c oughs> พอข้อมูลเยอ ะ, เ, ยอะเนี่ยโยมก็ไปใช้ไอ้ตัวที่จัดกลุ่มข้อมูลอะ่ะ พอไม่งั้นเวลาโยมสแกนไปแล้วเนี่ยไอ้ผลมันจะกระจัดกระจายไงโยมก็จัดกลุ่มที่กระจัดกระจายเนี่ยเอามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาต่อไปโยมจะไปนํานเสนอข้อมูลนี้กับใครโยมก็จะรวมกลุ่มได้ไม่งั้นก็จะวิ่งหาอนอโนู้นอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้มันกระจายให้ให้เขาทําระบบตรงนี้ไว้ให้แล้วแล้วเวลาโยมรวมกลุ่มกันปุ๊บหนึ่งอันเนี่ยจะมีเส้นเหลืองขั้นขั้นขั้นขั้ น, น, นเป็นระยะไปเรื่อยๆ ใช่ใช่ใช่ใช่ระบบของการสืบค้นเนี่ยยังไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวจะดูตัวอย่างของของอาตมาก็ได้นะพอพอเราเริ่มหาข้อมูลมันมันเยอะแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ใช้ตัวนี้ละ <c oughs> แล้วอย่างบางทีโย ม, อมพอหาไปเดี๋ยวนึกตรงนี้ได้อีกอันนึงโยมก็หาใหม่ตอนเย็นเอา้านึกตรงนี้ได้การหาใหม่ข้อมูลมันจะกระจายไงอพอกระจายปุ๊บเราต้องจัดระเบียบข้อมูลก็ให้เขาทําวิธีจัดระเบียบข้อมูลไว้ท่ น, นี้เขาคนเขียนโปรแกรมเขาทาแบบแบบแอปเปิลไม่ได้ที่ใช้แบบแมนนุ่นกดไปนิ่งๆแล้วก็เลื่อนเลื่อนจัดเอาเอง เราก็เลยใช้วิธีจัดระเบียบข้อมูลแบบที่ใช้ตัวเลขอ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งเอศูนย์ศนย์หนึ่งอศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งบซดีใช้เป็นระบบนี้เข้าไปเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ อ, <c oughs> อย่างถ้าโยมกดค้นหาใช่ไหม ก็ใช มีผลลัพธ์การค้นหายเยอะไหมของโยมเนี่ยเป็นร้อยพูตรมไม่ถึงเหรอ อ, อ, อ, อยู่ในอันหนึ่ง สิบกว่าเหรอเดี๋ยวต้องดูในนี้ป <laughs> ีแรกใช้ในอันนี้ก่อนกดค้นหา <c oughs> อ่ายอมดูดูตัวอย่างจากอันนี้อ่ะเรองมาดูอ <c oughs> ย่ยอมเลื่อนเลื่อนข้อมูลไปเห็นนะ <c oughs> อันนี้จะใช้ระบบจัดข้อมูลแบบ แบบรหัสนะใส่ a b c d แล้ว0ูนอะไรอย่างนี้ลงไปแล้วพอกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่โยมหาเนี่ยอย่างเช่นอนาปาอนาปาสะกปแบบไหนบ้างแล้วอนาปาใส่ดูกะละอนาปาคําว่าอนาปานสติพระสูตรก็จะออกมาแตกต่างกันหมดเถอะน ะ, ะแล้วกอ็อนาปากับกายยคตาสติโนะยมจะลิงก์ไปได้เรื่อยน ะ, อ, ะอนาปาแล้วก็ดูกละ อนาปากายยัคตาสติดูความแตกต่างกันไหมนี่ก็กลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับอนาปาทั้งหมดที่หาได้เราก็จะจัดระเบียบใส่ตัว B ีเข้าไปนี่จะเป็นกลุ่มของอนาปานะอันนี้จะเป็นกลุ่มของการละของนันทินะนี่ก็กลุ่มหนึ่งนะนี่ก็พบภูมิเกี่ยวกับภูมิก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยลอ ง, องรรอไปดูเราต้องมาใส่รหรัสเอง ก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมารวมกลุ่มในอันเดียวกันเนี่ยที่เดียวกันมันจะเรียงตามรหัสให้ช่ตัวตัวตัวมะเขืตัวมะเกือที่ที่เป็นจุดๆมะเขือถูกแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดกลุ่มนั่นะอันนี้ลำดับการนำเข้าลำดับอักษรลำดับข้อสูตรที่โพู่นี่นะครับอืม แล้วก็มีอะไรอีกจำนวนครั้งการเรียกดูหมายได้ลำดับอันสุดท้ายอะไรหมายได้ลำดับค่ะหมายเออหมายเลขลาดับเนี่ยนี่อ่ะขึ้นมาละอ่าใช่ใช่เวลาปุ๊บนั่นเนี่ยตัวนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นเห็นไหมจะให้เราใส่หมายเลขลําดับเอถึงแซนแล้วก็หมายเลขจะใช้รหัสสี่ตัวนะอืใช่ครบใช้ครบ เข้าใแล้วน ะ, ะ ท, ทีนี้เวลาจะไปอธิบายให้ใครจะง่ายไงก็ะะจะพลิกไปได้ทุกอันเยเขาสงสยัยอ๋อมีแล้วหาแล้วหาแล้วหาแล้วหมดอย่างเนี้ยไอ้พวกเนี่ยนะ อาตามาต้องนั่งคิดเองนะแล้วก็ไปบอกให้คนโปรแกรมทํามาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ใช้เยอะอย่างเราไงพอเราใช้เยอะเราจะเริ่มเห็นปัญหาว่าเยข้อมูลมันเยอะจะทําไงเริ่มงงละตัวเองเริ่มงงไงก็เริ่มอยากที่จะมีการจัดระเบียบก็ถามเพราะว่ามันสามารถจัดระเบียบได้ไหมในข้อมูลแล้วบางทีเราก็เริ่มแตกลูกออกไปว่าเจอพัสูุนี้เราจะแตกไปอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมแล้วมันหาได้คนละทีเนี่ยแล้วในข้อมูลนั้นมันก็ มันก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเราก็เลยอยากให้มีการรวบรวมตัวนี้มาอยู่กลุ่มก้อนเดียวกันนะแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราหาเสร็จแล้วเราไม่มีเวลาติดตามหาต่อบอกมีมีใสดาวใสธงสอะไรไหมเพื่อให้รู้ว่าพอเวลาลูดมาออเรื่องนี้ต้องติดตามต่อนะเวลามีเวลาว่างจะได้มาค้นหาต่อนะอย่างเงี้ยเทคนิคพวกนี้จะต้องบอกเขาให้เขาเขียนมาให้ มีสัญลักษณ์ไว้เตือนใช่แล้วก็อย่างพออาจจะมาอาจะมาจะไปนำเสนอเนี่ยข้อมูลมันก็เยอะก็บอกว่ามันมันมองไม่ทันอ่านไม่ทันอยากจะให้มีแบบสีแดงอะ่ะนะปรากฏขึ้นตรงท้ายว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะนาไปนำเสนอนะพอรูดๆู ด, ด, ดไปปุ๊บกอแดงปุ๊บเราจะได้หยุดรูดได้อ่าอย่างี้ยังพัฒนาอยูอ่เรื่อยใช่ยังพัฒนาอยู่เรื่อย พอได้เทคนิคเยอะๆแล้วก็จะเอาเข้าไปแก้ในนั้นอีกทีหนึ่ง mm hmm. ใครมีเครื่องก็โหลดเข้าได้ตอนนี้นะใช้ไวไฟที่วัดนี่เร็ว <laughs> อ่นนอนนาฮะอ๋อมาสมปองใช่ไหมกับที่ที่นั่งอยู่ข้างๆอาจารย์ด้านขวามือนะครับอืออ่าเห็นด้านสนใจแล้วก็จะนำํำข้าสรุปจากการสแกนเหล่านี้ไปใช้ใช่ทีนี้พระอาจารย์ได้ได้ได้คุยกับท่านมหาสมปองไหมครับว่าแนวทางในการเผยแพร่พุทธวจะนะนั้นท่านจะไปเผยแพร่ในสไตล์ของท่านมหาสมปองเองหรือว่า จะปรับมาใจพุทธวจนะล้วนๆครับอ๋อคิดว่าฟังอ่ะท่านก็คงเข้าใจายอยู่หรอกนะอ่าได้กะก็เลยไม่อยากไปนําเสนออะไรท่านมากนะแต่ท่านก็คุยกับทมาอยู่ว่าโหดีมากเลยเนี่ยบอกผมจะไปใช้บ้างท่านก็บอกท่านจะไปใช้นะอืมจะได้สืบค้นอะไรต่ออะไรได้เร็วขึ้นนะ ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะแต่ในวันนั้นมีเรื่องที่ทำให้แปลกใจอยู่แป๊บหนึ่งก็ตรงที่ว่าพระอาจารย์กำลังอธิบายเรื่องของจีวรนะการย้อมจีวรมหาสมปองเดินเข้ามานั่งคู่พืดีสีมันจะคนแพ้จะมากเลยถูไว่าเออท่านมหาสมปองทําไม่สะดุ้งั้งเลร อัตมาก็ก็พยายามจะพูดไม่ให้มันมันเกิดความความกระทบกันนะแต่เอ๊ะไม่ยกเรื่องจีวรมันไม่รู้จะยกเรื่องอะไรแล้วก็เลยยกเรื่องจีวรนึกอยู่เหมือนกันว่ามันแหมมันนั่งใกล้กันเลยแล้วก็สีมันคนละสีนะใช่ครับก็เลยเลยพูดหลบไปนิดนึงว่าจีวรอัตมาเนี่ยสิบห้าวันซักทีนะก็เป็นเรื่องให้ท่านได้แซวว่าผมเพิ่งรู้ว่าท่านอาจารย์พิกฤทธิสิบห้าวันซักจีวรทีครับ ก็ทำให้มันซอฟลงหน่อยอ่ะมีเรื่องเรื่องอื่นแยกประเด็นไปนะครับพ อ, อจากที่ติดตามท่านสมองมาท่านท่านจะมีอุปมาอุปไมยหรือว่าพาสิทธ์ต่างๆที่หลากหลายมากในการสอนอเด็กระดับเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ย ก, ก็เห็นว่าได้ประโยชน์นะแต่ท่านจะไม่อยมีประเภทลักษณะที่เป็นตถาโตพาสิทธ์อะไรเน<า>นี้ คิดว่าจากไม่ไปน่าจะมีอะไรเปลีป่ยนแปลงอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งนะอาจจะไม่<ช>ทั้งหมดก็ได้แต่ก็เพิ่งเพิ่งได้ฟังท่านวันแรกเนี่ะที่ไปเจอกันเนาะโอ้โหท่านท่านบรรยายได้แบบว่าเนา ะ, ะใครเครียดมานี่หายเคยรียดเลยที่จุดฮาไดีดีฮะแล้วก็ค่อนข้างเข้าถึงอารมณ์ของเด็กๆฮะแล้วก็จุดนี้น่าจะเป็น สิ่งที่อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะเรื่องธรรมะเผยแร่แต่ถ้าเผยแพร่ตรงตรงมันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตัวเจ้าวาดบัตรพระามก้าวไม่มาก็ส่ง อส่งพรท่านมาก็รู้จักกันด้วยพอดีก็เลยสะดวกขึ้น น, นานเลยเป็นประธานแทนเลยในนะั้น เขามีเอาขึ ider, ici, là, ้น YouTube แล้วในเยิมของของ Dmg เขาเอาขึ้นไปให้ในเครื่อนนี้ก็ดูได้นะใช่ไหม YouTube เครื่อนนี้ก็ดูได้ อือย่างที่เคยได้ยินที่แต่ว่าพระพุทธเจ้า ท, ที่มีพยายามมมาแ ล, วแล้วคอะไรเนี่ยก็มีพ่อแม่ธรีอะไรทเป็นพุทธวจอันนี้เป็นอัธถาศัยเลยอัธถาศัแต่งขึ้ น, นมามาใช่เวลาขวดน้าต้องใช้น้ำอ่าใช่ใช่ใชเลยแต่งขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวยาวเลย ใช่ใช่ใช่แต่มันมันถูกแต่งขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็มาโยงเรื่องพิธีกรรมที่คิดขึ้นมันก็เลยโยงไปตรงนั้นไปตรงที่แต่งขึ้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอม <c oughs> ันก่อนก็มีคนถามบัวสามเหล่าสี่เหล่านะ พระถามขอดูพระสูตรบัวสามเหล่าหน่อยได้ไหมก็เลยต้องให้ท่านมาขึ้นพระสูตรบัวสามเหล่าให้แต่พระเจ้าไม่ได้พูดว่าบัวสามเหล่านะก็คือบัวที่พระเจ้ายกอุปมามาเนี่ยมันมีสามกลุ่มพอดีว่าบัวกลุ่มหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ในน้ําอันน้ําพยุงไว้อีกอันหนึ่งก็คื อ, อเสมอเสมอผิวน้ําอีกอันหนึ่งก็คือพ้นน้ำนะก็จะมีแค่าสามเหล่า อันน้ำพยุงไว้นี่คืออยู่ใต้น้ำนะอ่าแล้วก็คืออยู่เสม อ, อน้ําแล้วก็อยู่คนน้ําอยนี้ในบทที่เราสวดที่แบบว่าพาหุงอะไรนี่พาหุมก็ไม่มีพาหุมก็แต่งขึ้น ก็ไสในใช่ไหมเนื้อในของมันยยังมมีีีบบทพรระะะาานออไ่เ้ก็ต้องต้องเช็คเป็นอันๆต้องต้องเช็คเป็นอันๆบางทีเขาก็ไปหยิบอย่างอย่างเรื่องช้างก็เข้าไปหยิบ่ข้อความในพุทธวจนะมาแล้วมาแต่งมาผสมผสานกันอย่างเนี้ใช่ใช่มาผูกเป็นเรื่องก็เหมือนกับพระเวสสันดรเนี่ย ผู้จ้าก็ตัดไว้ไม่กี uh ่หน้ากระดาษสีห้าหน้ากระดาษอย่างนี้นะแต่เขาก็ไปแต่งเป็นเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมก็เทศกันเป็นเทศมหาชาติเทศกันเจ็ดวันสิบวันนั่นแหละอ่าเรื่อก่อนโยมเองก็ยังมาสนใจทางทำจริงๆสองสามปีหลังอ๋อเมื่อก่อนก็แค่ได้ไปไปวัดก็จะรู้ไว้ทำบุญเสรก็จะกลับบ้านเลยก็จะทำกันมาเป็นเกอ่า ไอประเด็นที่สนใจเพราะว่าเครียดมีมีทุกมีทุกเครียเครียดเียุณแม่คือแบบว่าเอาหนอใจเลยแล้วก็รอคุณแม่อะไรเงี้ยโกรธแล้วก็รู้โกรธมันไม่ดีอะไรอยง้ใจไม่ได้คิดถึงทีไนก็น้ำตาไหลอะไรเงี้ยทำใจไม่ได้ต้องหาทางออกยัไยังไงดีสองวันก็แล้วสาวันแล้วโอ้โหไม่โทรไปคุยกับคุณแม่แม่แต่นั่งรอ่าะไรอยงเงอ เคยได้เขาเคยชวนแต่เราก็ค mm. so mm. pues ือจะเฉยๆเลยมากแบบเด็กเารมสทาเลยอือชอบอยา่อ่าปุ๊บมาถูกสตอนถไาเปหญิงไรก็จะไปสไตล์นี้มากกว่าออนนี้มันเหมือนปัญหาทางออกไม่ได้ก็เลยไปถามเพื่อนว่าเห้พี่ๆเมื่ไหร่ยื่จะไปก็บอกว่าอาจจะไปเหรอทำไผก็ไปได้เลยเด็เนี้ยเกล่าวก็ไปไปเปก็ไปหก็ไปไวแล้วก็ดูแล้ก็แบบเป็นอะไรที่แบบเราไม่สนใจ ไม่เคยเห็นไม่สนใจใช่ไหมเพราไม่เคยจะไปดูอะไรไหนเลยก็ตอนนอนก็กำลังก็เออก็ตือตาตืกใจเหมือนกันอะไรเพราะว่าไม่เคยเห็นขึ้นเนี่ยเสียแ้วก็บอกว่าข้างนเนี่ยมีสวนมน้ำอะเนี่ยสวนมน้ำไหมไม่เคยสวนไม่เคยบอกว่าไม่เป็นไรมาแล้วไหนมาแล้วสวนมน้ําค่สวนมนอะไรก็ขึ้นไปแต่คนที่แล้วก็แล้วก็ภาคนี้ก็นําสวนแบบอมตะอะไรแบบนี้ไม่ จะยาวกว่าทางเวนดีวันนั้นก็เป็นบทสูรของบางอย่างก็านหนังสือแล้วก็างไปเราก็อ่านมาส่วนทางพระอืไพอพอเราสวดไปก็คือสวดตางก็จะเป็นแบบพระท่านสวดเนี่ยมันก็ทําผีผีถูกถูอะไรเจ๋วอะไรอย่นี้แต่แบบพอสักพักหนึ่งมันหมันกักบมันมันมอนได้ตัวเราเนี่ยมันบรหลุไปเลยไอ้ที่วางไอ้โกรธอะไรอยู่นี่มันหายบรหลุไปหมดเลยแล้วก็ แม่เลยเลลืมไปเลยแล้วพอกลับมาจากวัากบมาจากวัดคืนนั้นก็ถึเช้าทั้งวันเลยมันจะมีกระเสียงส่วนบนอยู่ในหัวอยู่ในใจตลอดเวลาเลยก็มาสนใจว่าเอ๊ะในหัที่มีส่วนบนที่เรามีอยู่มีบทประมาจ์ไมอะไอยงเอยากจะมาสวดอะไรอ่เี้แล้วพอเวลาเราเปิดเราก็จะสวดคือผปกติถ้าเวลาเราสวดแล้วก็จะอ่านอ่านอ่ายแต่ ตอนนั้นไม่ใช่อะพอสวนแล้วมันจะเป็นแบบปันจังหวะแบบภาพสูงอะเป็นอยู่หลายวันมากปิดเช้าวันนั้นเนี่ยพอสายสายพอานข้าวเสร็จก็โทไปปุยกับคุณแม่ตอนแรกเมื่อคืนไปสวนอมน่าอะไรเน่ยตอที่โกรธคุณแม่ก <c oughs> ็หายไปแล้ว <c oughs> นะ <c oughs> ตนั้งแต่นี้ก็เลยหายแล้วก็เลยเริ่ม <c oughs> ได้อนนี้นสมนะมสนใจเลย <c oughs> มาสนใจน <c oughs> เลยสนใจเลยอ่านแล้วสุดที่มันมันเจอ <c oughs> ขอพระเจ้าเลยบอกว่าเจนะก็เลยแบมันสะดุดตาสะดุดาพุธวจนะหรืออะไรก็เลยต่างเงินก็ขายเเป็นคอร่มเขาสุดลแล้วก็อมารู้สึกไม่กี่วันก็ไปเจอบอกว่าพระจาจะมาที่สุรมาลีมันเดินไปเห็นอีกแอ้คอล่มอีกคอลัมหนึ่งว่ามีเปิดโทรศัพท์นอะไรเงี้ยที่สุรมาลเราก็ไม่เคยไปโทรไปถามว่ามีกมื่อไนี้ แล้วก็ไปแต่ไปถึงครั้งแรกที่ท่าอาจารย์ไปบรรยายเนี่ยไม่รูดเรื <laughs> <laughs> อ่องเลยครั้งแรกมาตอนนี้ไปอ่าอาจารย์บรรยายปฏิจจอจึิงงงมากเลยเกือบถอยแล้วเนาะอาจารย์บอกว่าเนี่ย <laughs> มาที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็ <laughs> บรรยายเหมือ น, นเดิมเดิมวันจะเบื่อ ว, วันนี้จะเอาให้มันลึกหน่อยอแจ็คพอตพอดี ดูเรื่องสักคำอะไรนะารายนเขาไม่เใจเลยทาบอ ก, อบอกมันรู้ไปว่นงฟังนชั่วโมงอย่าไปรู้เรื่องเลสัรคำเลยเข <laughs> าดังฟันั่งอยู่จะจบเลย <laughs> แล้วก็อาจารย์ก็ให้หนังสือดีมา <laughs> อันนี้ก็จดเลยนะสบายนะยนาจะไปหาดูซีรีส์ภาษาไทย <laughs> <laughs> สองสายมาผัดซากนี่ก็ยังกอดเดาสองสายจะสัมผัสสัมผัสยกรานี่นอะไรนะแล้วก็ไปหาหนังสือมันก็ไม่มีเรจดคานี่ไปถามพระทีวันถามได้ว่าสลายยก้า น, นี่แต่ว่าอะไรพ <c oughs> นก็แปลมาให้แบบเร <c oughs> งงงมากเลยแบบแล้วพันก็บอกว่ายมไซือ้อนนาาปปาหอนังสือพจนานุกรมภาษาบารีสใจน สงสัยทำเดี่ยวได้ต่อไปซื้อเลยซ้อพาเลยกำเลยแต่ถ้ากได้ทีดีมาวาจนิจเปิดฟังทุกวันอยู่ที่บ้านนะแต่7แปดชุดได้ชุดแรกมาจะเป็นของยูพุทมีสองแผ่นฟังตั้งแต่โมงเช้าเย็นสองทุ่มลงมาเจอะมาก เนี่กันอยู่ทุกว้าทุกวันอ่เดินไปเดินมาทำงานบ้าสงทักก็เดินได้ยินก็ได้ยินได้ยินอะไรแก้ไก็แก้นานอะไรแรกๆก็เกรงใจสามีกรใจแตว่าเขาดูทีวีแล้วเครื่องเสียงมันก็อยู่ใกล้กันไม่ว่าชันบนชั้นลามันก็จะเชื่อมต่อมันอือก็เลยบอกแรกๆก็จะจะแบบว่าเดี๋ยวไปซื้อแยกชุดนึงจะหลบตรงตีช่างหลังๆก็ ถึงซื้อมากก mm ็ hmm. ไม่เก mm ี hmm. ่ยวอือกฟูงเสียงเสาเบ้าฟังเราเวลาไปดูวิถีเราเหนือ huh. ดูทีเราเราจะได้ทํางานไปด้วยนะไม่เพระเขาเสียบเราให้เขาเสียบเสาเบ้าฟังไปอืาก็เสียบอ่าแต่ว่าก็หลังๆไปเข้าก็เลยตามมาด้วยอคือจะอยากหรือไม่อยากมันอัตโนมัติอื อย uh huh. um> um> ู่ในตู้ท uh ี่ก็จะเอาซีดีของอาจารย์อยู <t <t ่ในรถเลยเปิดแต่แรกๆตอนที <t MM> <t <t ่มาสนใจตรงนี <t <t ้ก็ถ้ายังชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงจะไปร้องเพลงกับอาจารย์แาแล้วก็เป็นคนที่พอชอบแล้วก็จะจะไปฟ้งอาหารก็เท่ไปอย่างนี้เสียถ้าไปเสียดบอกไม่เอาละไม่ไม่รองเพลงกคุณอยากซีีร้องเพลงก็ร้องเพลงไม่เอาฉงนวาไม่ร้องดีกว่าเพราะว่า พอเวลาเราฟังว่ามันเพลินนะฮะทิงแบบมันอย่างเงีแบบเราําลังนิจไม่แข็งแรงเริ hm ่มมันคล้อยเริ่ม hm กลัวความเพลินแล้วอ๋อเวลาได้ยินเสียงมันมันแรงเถอะท่าเดียวเราลองตามแล้วอย่างเงี้ยอามันไม่ฟังดีกว่งก็เลยไม่ฟังสักเวลาแทีเขาขับรถคนเดียวเขาติดเขาฟังเองแต่พอเราขึ้นรถเขาเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อเป็นธรรมะอ่า เขาไรู้หลังาก็รู้เขาก็พอเราไปรบมากเขาก็ไม่เลยไม่ต้องรู้เอฟดีเซีีเลยก็เลยหลังก็ตาบีเาก็จะมาด้วยอะอาเงก็าไปที่ตึกตาบีก็จะมาเพอพ่ออยากมาพาเขามาก็เลยได้ประโยชน์ชักนำคนอื่นมาด้วยเนาะแต่แต่ตอนที่เวลาได้ได้ซีีอะไรตอแรกๆก็จะได้รากเอียดื่อ หญ่เขาก็จะบอกเขาไม่รู้นะใหญ่เขาก็จะบอกเขาไม่รู้เลยเออไม่บอกว่าไม่รู้สิ่งที่เขาเขาฟังแต่ในฟังคนอื่นแล้วฟังก็ไม่รู้เรื่องนะเออเรียกง่าเราฟังพอมาฟังสมาชากเราพอเวลาฟังเพื่อมันมันไม่อยากฟังเออมันไม่อยากฟังอะไรมันอยากฟังเพื่อนให้มาฟังครั้งหนึ่งฟังรู้แล้วลหรว่าในแผนนั้นมันมีอะไร แล้วก็ทางเีวเราต้องอยากัอืมแต่ของพระพ า, าที่ฝันซังซ่าฝันซด้เอที่สองปีกว่า ม, านามันเนี่ยวันทุกวันเลยที่อยู่แต้ององมานี่จะเะมันจะได้ความลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆก็บอกว่าบานนีบอกจาได้แต่ทาให้ได้ก็ช่างมามคำคำพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง่งเป็นชั้นโลกุตละ คำนี้เราเหมือนเราไม่เคยได้ยินก็จะสะดุดอยู่เป็นครั้งคราวเลยนะแล้วก็จะมามองว่าไอที่มันตอนไหนแล้ีตอนไหเดี๋ยวกดีวายกลับฟังใหม่อะไรก็จะเป็นอย่างนี้ชื่อดีดียังโชคดีนะนี่แสดงว่าสร้างบารมีมา <c oughs> กับคำผู้เจ้าเหมือนกันเดี๋ <c oughs> ยว่างไงนะเออ ผมเองก็กล่าวขอขมาพระอาจารย์วันนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าครั้งแรกซึ่งผมพบพระอาจารย์ที่มสวองค์พระลักษมณผมก็ไม่ได้เจตนาไปจะไปฟังพระอาจารย์จะไปฟังพระองค์อแต่ปรากฏไปเร็วไปหน่อยก็ยังไม่ได้มาคนเดียก็ยังไม่ทันเลี้ยงอาหารผมก็เลยเข้าไปก่อนก็ฟังพระอาจารย์จนจบแล้วออย่างที่ญาติธรรมบอกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไเลยครับแล้วผมก็ยังประมาทไปน้อยน้อยท่านสอนอะไรของท่าน ต้องตามไปดูตามไปดูครับท่านบอกคลองสิบผมก็หาอยู่หลายค่าอต้องตามไปดูให้ได้ว่าท่านสอนอะไรอืผมก็ถามคนข้างรู้เรื่องผมไม่รู้ท่านแจกซีดีวันนั้นแต่ผมไม่ผมไม่ได้รับครับเพราะว่าผมไปทีหลังอก็ไม่รู้อะไรเลยวันนี้ก็มากลับพอมาเพราะมีมีพยานแล้วก็ไม่รู้จริงๆอเลยแต่วันนี้วันนี้รู้แล้วรวดเร็วเนาะ อ่าฮะไม่มีพื้นฐานาเล ย, ยก็จะ <c oughs> ใช่ใช่เก็บประเด็นไม่ทันอ่าอ่าต่อไปจะอธิบายให้ชา้ากว่านี้เออเออ ใช่ใช่ใช่ยวมนี้ก็แปดสิบกว่าแล้วนะเนี่ยใช่ไหมสิบแปดสิบหกแปดสิบหกเวรอแถามอายุอีกคนไม่มาเหรอมาแล้วมาเหรออ๋อ แต่อย่างยมว่านะว่าพอฟังคำผู้เจ้ารู้เรื่องเราจะไม่อยากฟังคำคนอื่นอ่ะมันจืดเว้มันมันไม่มีสาราอะไรนะอ่าใช่ ดีอะไรเงี้ยแต่มันมันมีความรู้สึกว่ามันก็แบบท่านชักจูงให้คนที่แบบว่ามันก็แบบอยู่ในทางโลกอยากให้สดใสมันทางธรรมแต่ถ้าคนที่มาฟัขงของอาจารย์นี่ก็คือคนที่อยู่ในทางธรรมอยู่แล้วแต่อยากจะก้าวหน้าอะไรอ <c oughs> ื่างมงีเขาจะพูดกับเขาอย่างเงี้ยแบบมันมันมันมันคุรลือยากนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเราทไปเถอะอย่างเงี้ยก็ะชับได้เปิดทีแรกก็ไม่รู้เรื่องอะ่รบ้างความใจความเปนานเดียวไม่รู้เออืม ก็ก็เหมือนการใช่ต้งฟังบ่อยๆก็เลยปับไปเรื่อยหรือก็รู้เองอ่าเราปัญญาวพอพี่คุณว่าถนาพอมีใช่ไหมอ่าใช่ต้องคำพุทธเจ้าเป็นคําที่ต้องตั้งใจฟังเนะต้องตั้งใจฟังพุทเจ้าบอกเหตุฟังทํามไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่ไม่ตั้งจิตฟังอะ่ะต้องตั้งใจฟังต้องตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงเนี่ยเขาต้องเห็น เขาต้องรู้สึกถึงประโยชน์ของการที่เขาจะได้ยินได้ฟังอยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าผู้เจ้าพูดอะไรอย่าเนี้ยแบบว่าคำว่าพูดว่าจะนันี่คือสะดุดก่อนเลยอืเขาเห็นคํานี้เขาก็สนใจเลยที่อย่างสามีปุณณีดูเสื้เขานัแต่ให้ดูว่าข้างหลังมีคำว่าพูดว่าจะนัตัวโตๆนะเขาถึจะเอาแล้วแค่ไที่มีคน้ ่าอตอนอ่อับ <er claro> okay ่ือเกเกี่ยวกับอออ๋ออ๋อออ๋ออออ ก็ก็คงเป็นเรื่องของที่มาที่ไปพระตาบโดกมั้ง <c oughs> ใช่ใช่เป็นเป็นอย่างนี้เฉยๆเนี่ยที่มาที่ไปนะจากนั้นเนี่ยก็จะต้องไปลงรายละเอียดในเรื่องของของแผ่นพับอะ่ะ ข, ของแผ่นพับตัวเนี้ยเพราะว่าเพราะพระตาบิโดกไม่ไม่ใช่ข้อมูลถูกต้องทั้งหมดไง คือพระตัปิโดกไม่ใช่พุทวจนะทั้งหมดนะก็จากที่มาที่ไปพระตัปิโดกว่าพุทธวจนะข้อมูลทางพุทธศาสนาทั้งหมดอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เก่าแก่ที่สุดในโลกจากนั้นข้อมูลตรงนี้ <c oughs> มีกี่ส่วนอะไรบ้างก็คือส่วนที่เป็นพุทธวจนะกับส่วนที่แต่งเติมขึ้นก็จะเริ่มแยกได้และส่วนที่เป็นพุทวจนะเนี่ยทำไมจะต้องใช้อันนี้ก็ก็เข้ามาใน แผ่นพับอันนี้ที่บ่งบอกถึงความสำคัญที่พระศาสดาพูดไวเองอย่างนี้ก็จะเียงมาอย่างนี้เวลาดูเียราก็ฟังพระอาจารย์บอกว่าเที่มาจากนะนะฮะมายงไงมาอย่างไงมายงไงมาจากไหนมาเมื่อไรมีบอกมีมีพูดเรื่องนี้ไว้น่าจะจริงๆเยอะมากโยมเคยเคยดูซีดีตะมาบ้างมะ ต้องต้งดูต้องดูเยอะๆอัตมาว่าอัตมาพูดเรื่องนี้เยอะมากนะไปเกือบทุกที่เนี่ยจะอ่าไม่ไม่ไม่ได้ทําเป็นหนังสืออะไรอ่าใช่ใช่พูดไว้ตามที่ต่างๆแล้วมีเป็นดีวดีบันทึกไว้อ่ ะ, ะจะแจกแจงแล้วก็จะขึ้นหลักฐานให้เขาดูหลักฐานในอินเดียมีอะไรหลักฐานในอัฟกานิสถานมีอะไรหลักฐานในประเทศไทยที่ลบบุรีที่เพชรบูรณ์ที่เป็น ก้อนหินหลักศิลาที่สลักาภาษาปราระภาษาบาลีอักษรปรละวนะซึ่งเจอเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วนั้นหลักฐานพวกนี้ในประเทศไทยก็มีมันกระจายไปทั่วโลกนะแล้วข้อมูลมันจะตรงกันอย่างที่อัฟกานิสถานก็จะเป็นเรื่องของการสอนเรื่องอบายามุขหซึ่งเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้นะซึ่งหลักฐานตรงน้นก็ประมาณปีพศ .6 ตั้งหลังผู้เจ้าปรินิพานประมาณหกปีแค่นั้นอย่างนี้ก <c oughs> ็จะมีทั้งภาพทั้งอะไรให้ให้ดูหมดออ <c oughs> พอดีไม่ได้เป็นเป็นคนชอบทำหนังสือเพราะว่างานหนังสือเป็นงานที่อาตอมามองว่ามัน คือเคยทําหนังสือมาแล้วแล้วก็มองว่ามันเป็นงานที่เราต้องไปจมปลักอยู่กับตรงนั้นนะนะเพราะงานหนังสือเป็นงานที่ละเอียดนะนะก็คิดว่างานหนังสือเนี่ยกระจายให้คนอื่นทําดีกว่าแล้วก็หนังสือของเราจะไม่ไม่ใช่ผลงานของเราเพราะนั้นจริงๆแล้วใครทําก็ได้เพราะเป็นคําพระศาสดาซึ่งมีอยู่แล้ว เพียงแต่คัดคำพระพุทธเจ้าที่เป็นกลุ่มหมวดเรื่องเดียวกันให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อใ ห, ให้ให้ตรงกับความต้องการความเข้าใจของคนที่ต้องการในแต่ละแบบเช่นต้องการแก้กรรมต้องการเจริญอาาปาะนะต้องการมักวิธีที่ง่ายอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะรวบรวมคำสอนพระสาสดาให้แล้วพู้เจ้าก็ไม่ให้บัญญัติอะไรใหม่ด้วยเราก็จะต้องไม่มีผลงานตัวเองนะ งานของเราจะต้องไม่มีนะก็จะเพราะถ้างานผลงานของเรามีปั๊บเนี่ยคนก็จะไปนั่งอ่านผลงานของเราอีกก็จะผิดอีกอย่างเนี้ยนะก็ก็ต้องแก้มาไงนะแก้แก้อย่างเนี้ยก็คือไม่ไม่ทําผลงานตัวเองออกมาผลงานที่ทําก็คือไส้ในจะเป็นคำาระสระดาทั้งหมดหนังสือ ขอดิอดิอดที่ว่าต้นจทาและควมหมายถูกต้องนะแล้วใครเป็นผู้ ท, ทํใครเป็นผู้ทคือยังไงนะนาะวที่กหนดว่าที่เป็นบทศาที่ถูกต้องก็ก็การทรงจำแต่แรกไงที่ทร ง, งจำจากพระศาสดามาเริ่มต้นมาจากการทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดทางปากมุก ป, ปาฐะ ถ่ายเท่าทางปากเสร็จแล้วเมื่อมีการลงอักษรก็มาลงอักษรจากการลงอักษรเนี่ยด้วยการถ่ายเท่าทางปากเนี่ยมันจะลงอักษรไปได้หลายแบบอักษรสิงห์หนอักษรเทวนาคีอักษรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเราก็มาลงของเราก็จะมีลงอักษรขอมอักษรสยามนะตอนนี้ก็คือตรวจกันด้วยด้วยบทพันธนะด้วยอักขระนี่แหละนะว่า อย่างพูดปาติโมกก็ต้องพูดปาติโมกอย่างนี้ภาษาอังกฤษ จ, จะไปเขียนยังไงก็ตามต้องให้อ่านได้ว่าปาติโมกอย่างนีอนออง้ออกเสียงออกเสียงตามภาษาบาลีเลยนะออกเสียงตามภาษาบาลีให้ได้นะ <c oughs> <c oughs> แล้วคำพูเจ้าเนี่ยจะสอดรับกันถ้าแปลผิดถ้าแปลผิดปุ๊บเนี่ย เนื่องจากว่าผู้เจ้าเนี่ยพูดซ้ำกันบ่อยยมแปลพระสูตรนี้ผิดมันจะไปขัดกับพระสูตรอื่นนะเพราะผู้เจ้าจะเอาคำเนี้ยไปใช้ในบริบทอื่นถ้ายมแปลผิดมันจะทำให้อ่านไม่รู้เรื่องหรือขัดกันนะนี่คือความเลิศของผู้เจ้าที่ผู้เจ้ารู้อยู่แล้วว่าคำสอนของท่านจะเสื่อมมีอาการอย่างไรและพระองค์ต้องป้องกันไม่หมด ป้องกันไว้ตั้งแต่แรกคือผู้เจ้าจะต้องกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวแล้วคำศา ส, ะสะดาจะต้องสอดรับกันหมดตั้งแต่ราตรีตรัสรุถึงปริณิพานคือตลอด45ปีที่ถ่ายทอดบอกสอนมานเมื่อคำไม่ขัดแย้งกันเนี่ยมันจะเป็นการง่ายเลยที่ยมจะตรวจสอบเวลาแปลผิดอัตอมาถึงบอกถ้าแปลผิดปั๊บเนี่ยคจะขัดแย้งกัน แปลเกินปั๊บเนี่ยจะไม่เจอคํานี้ในพระสูตรอื่นอย่างเช่นคําว่าอรูปฌานแปลเกินมาปั๊บเนี่ยโยมไปหาในพระสูตรอื่นจะไม่มีละนะผู้เจ้าพูดจะไม่มีการผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวเลยจะคมมากท่านผู้ท่านาเติมคําว่าอาการสานันจา ย, ยตนะาฌานเติมคําว่าฌานไปในอาการสาเราไปหาในพระสูตรอื่นไม่เจอเลยสักพระสูตรหนึ่งเห็นไหมพลาดเติมไปนิดเดียวปุ๊บรู้เลยนะนี่คือแปลเกิน แปลเกินแปรตกแปรขาดเนี่ยด้วยหลักการอันนี้จะทำให้ตรวจได้หมดนั้นจริงๆคำพระศาสดาเราเนี่ยเหมือนมันซ่อมตัวมันเองได้ไง น, นะและด้วยการที่พูะเจ้าพูดคำซ้ำๆไว้เยอะๆเนี่ยว้หลายพสูตรนะอย่างอย่างบทพันธะอย่างเนี้ยเธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งกิจเพื่อจะรู้ทั่วถึงสามคำสามประโยคอย่างเนี้ย จะพูดไวในที่พระสูตรอื่นๆเยอแยๆไปหมดเลยพระสูตรนี้หายไปไปเจอในพระสูตรนั้นพระสูตรนั้นหายไปไปเจอในพระสูตรนี้น ะ, นะแล้วลักษณะอย่างนี้ที่โยมเจอปั๊บเนี่ยโยมจะจั บ, จ, บจับทางได้ว่านี่คือคำพระพุทธเจ้าเพราะจะไม่มีใครเนี่ยพูดก๊อปี้คำเดิมคลิบเลยเนี่ยนะไม่พลาดเลยเนี่ยซ้ำๆกันหลายๆจุดหลายๆจุดอย่างนี้ ไปไปไเป็นไปได้ไงเป็นไปได้เมื่อตกหล่นอย่างเนี้ยเธอจะไม่ฟังด้วยดีเกิดตรงนี้ตกหล่นไปใบลานขาดไปนิดหนึง่งไม่มีคำว่าไม่เงี่ยวหูฟังไปกระโดดไปเจอไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงแต่พระสูตรอื่นมันจะมีคำซ้ำอย่างนี้ที่เป็นแบบฟอร์มคำพูดนี้โยงก็จะไปงงเอ๊ะพระสูตรนี้ทำไมมีคาว่าไม่เงี่ยหูฟังมา อยู่ท่ามกลางขั้นกลางระหว่างสองอันนี้กับอันนี้อย่างเงี้ยโยมก็โอ้อันนี้ที่มันใบลานมันขาดไปมันคือตัวนี้นี่เองอย่างเงี้ยก็จะมาเสริมได้เสริมได้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมใช่ใช่เป็นไปได้โยมเป็นไปได้ อ่าฮะอ่าฮะหมายถึงหายไปเลยก็มันต้องมีเป็นไปได้แน่นอนนะเพราะนั้นที่หายก็หายไปนะมันก็จะเหมือนเป็นเป็นช่องโบว่นะเป็นช่องโบนะทีนี้ที่ที่โยมพูดคำว่าตรวจสอบเมื่อกี้อีกนิดนึงก็คือนี่เป็นวิธีตรวจสอบแบบหลักฐานทางโลก นะส่วนหลักวิธีตรวจสอบแบบโลกุตละก็คือมาตรวจสอบในจิตเราเองที่อตมาเคยอธิบายบ่อยๆว่าสายปฏิจจจักระเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองว่าภัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานอย่างเนี้ยเพราะนั้นเวลาเขาพูดมาอย่างเนี้ยไม่ต้องเชื่อก็ได้เราไปเดินห้างนี่เราก็ตรวจได้สัมผัสทางตาเห็นกระเป๋าปุ๊บโอ้พอใจปุ๊บเกิดอยากได้ เห็นะผัสสะเกิดพอใจเกิดเกิดอยากนะอยากแล้วก็ยึดกระเป๋าฉันก่อนจะยึดเนี่ยผู้เจ้าซอยย่อยอาการจิตอีกก้ากันะเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหานะสแสวงหามีการได้จ่ายเงินได้ได้ปั๊บปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจนะเช็ดถูทุกวันเลยอ่านะสยบมัวเมาเอาออกงานทุกงาน เพื่อนก็ชมโอ้โหสวยจับปกจับใจเกิดความตะหนีนะไม่อยากให้ใครยืมนะและเกิดการห่วงกันและมีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันการทะเลาะเบาแหวงการด่าว่าการใช้คําหยาบอาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้นั่นนี่คือขั้นตอนอาการจิตหลายๆอาการที่มันไหลไปแล้วเราก็เออ้คนพูดนี้แปลกนีมันพูดตรงเหมือนอาการจิตของเราเลยอย่างเนี้ยใช่ไหมอ่า นั่นนี่คือลักษณะการตรวจสอบที่เรียกว่าเป็นปัจจตันและเรียกว่าเป็นสิกขีปูโตคือเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาและเรียกว่าเป็นอากาลิโกโ้ด้วยเพราะเมื่อสอ0 0ักว่าปีอาการจิตพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ท่านดูจิตของท่านเองและผ่านมาสองพันกว่าปีโยมก็ยังมีอาการจิตเหมือนที่พรุทธเจ้าบัญญัติการเวลาไม่ได้ถูกทําให้ธรรมานี้เปลี่ยนแปลงไปเลยเห็นไหม วันนั้นถึงแม้เขาจะลอกผิดจำผิดจำตกหล่นตรวจได้ไงนะตรวจสอบไดนะ้เป็นความเลิศที่สาวกทำไม่ได้เลยนะคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยผู้เจ้าพูดทีเดียวทั้งนั้นนะไม่เคยมีว่าเอ้ยวานตะถากรดพูดผิดเดี๋ยวแก้ใหม่ก่อน<ม>ใช่ไอ่าพูดทีเดียวสอดรับทั้งชีวิตแล้วต้องอาการลิโกโอไม่หมูนั่นเนี่ยใช่ไห ยิ่งอย่างนี้ในสาวกหมดสิทธิ์พูดเลยผู้เจ้าจึงบอกสาวกปัญญัิอะไรไม่ได้ไงแต่นี้ด้วยความที่เราไม่รู้ความสามารถของผู้เจ้า ว, ว่ามีมากขนาดนี้เนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเนะ่ะเราเลยคิดว่าเออฟังคาสาวกก็พอได้เนาะคงจะดีเหมือนกันนะ่ะเลยกลายเป็นเอาคำสาวกมาตีเทียบชั้นพระพุทธเจ้าเลยใช่ไห ม, มซึ่งจริงๆไม่ได้เลย แต่มาเลยบอกพระสูตรในในสิบพระสูตรในแผ่นพับนี่มันสำคัญมากะ่ะต้องไปไปทำความเข้าใจให้ดีมากเลยนะ <c oughs> ท่ น, นี้เราเกิดมาในยุคที่ยุคที่คำสาวกเนี่ยมันเต็มประเทศไปหมดเลยแล้วมีความศรัทธาในตรงนั้นมาก่อนการที่จะเปลี่ยนความเห็น <c oughs> เปลี่ยนศรัทธามันต้องใช้เหตุผลเยอะพอสมควรเหมือนกันนะ ลูองระเจากคือจะจะตัดจากที่อาจารย์คือว่าเขาจะไม่อ้าวพระาที่แะั้งเขาจะมาเคยไม่ไม่บอกที่มาของะูเราก็ยคิบอกว่าันี้คืออาจารย์คู่เองหรือว่าอาจารย์ใช่ใช่นี่ไงนี่เป็นเหตุที่เราต้องทำวิธีตรวจสอบให้เนี่ยไอ้เครื่องมือพวกนี้ไงใช่ไหมที่โยมจะต้องไปตรวจสอบนะเพราะว่าพระส่วนใหญ่จากกัก กักข้อมูลกักฐานข้อมูลตัวเองเวลาพูดมาเนี่ยจะไม่ยอมบอกหรอกว่าตัวเองเอามาจากไหนแต่อาตมาไม่กลัวอาตมาจะบอกหมดนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าถึงยังไงโยงก็เก็บข้อมูลพูเจ้าไม่ทันอาตมาหรอก <c oughs> <c oughs> เปิดเผยได้นะสบายมาก <c oughs> <c oughs> มันก็มีหลายแบบนะ แต่อดามาก็เห็นมาอย่างนี้ทั้งนั้นคือคือพระส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกว่าว่าเขาอ่านมาจากไหนเขารู้มาจากไหนเขาจะไม่ยอมบอกนะ อ, มมกอืมเพราะไม่งั้นโยมก็ไปเหมือนคือไปตรวจสอบได้ว่าถูกว่าผิดหรือเอามาจากไหนอย่างเนี้ยใช่มอืมแต่บางองค์ก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะนะแต่ก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่นะ ม <c oughs> ไม่รู้ที่มาไงอาตมาเลยต้องหาเองเพราะว่าเวลาอาตมาบวชมาแรกๆอาตมาก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมแล้วจะไปหาได้ที่ไหนตัวอาตมาเองก็งงอ่ะยัง <c oughs> เราไปห่มจีวรเราห่มจีวรใกล้พระพุทธรูปนะ ไปวัดหนึ่งเขาก็บอกว่าเออไม่ได้นะ่นนี่พรมจีวรใกล้พระหกศอกเราก็ถอยมาอืห่างเกินละหกศอกหลอดบอกเดี๋ยวเป็นอาบัตพอไปวัดหนึ่งเราก็กล่าวว่าค้น6ศอกเฮ้ยท่านอาบัตเนี่ยต้องห่างสิบสอศอกเฮ้ยมาอีกละสิสองศอกเราก็ถอยออกไปนะอา่าไม่รู้ใครถูกแล้วเราจะไปหาข้อมูลพวกนี้ได้จากไหนใช่ไหมท่านกอพระเราก็พระแล้วท่านรู้คนเดียวเหรอแล้วเราไม่รู้ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมอา่า ซึ่งพอไปจริงๆแล้วเนี่ยพระ พ, พุรูปก็ไม่มีในครั้งวิวัการให้ทั้งสองวัดนี่มั่วทั้งคู่ <ías> ใช่ไหมนี่เราก็วิ่งวุ่นเลยใช่ไ่อวิ่งไปตามเขาหมดเนี่ยใช่ไหมอันนี้อย่างภพยอองหนึ่งท่านเคยอยู่วัดบ้านมาก่อนท่านก็ฉันน้ำปานะจีป้าถะนะไม่สนอ่ะเพราะไม่รู้คำพูดชาน ะ, นะอพอ <c oughs> มาอยู่วัดป่าเขาก็บอกว่าเอ้ยมาหาผลฉันไม่ได้ท่านก็โอ้ยไอ้ที่เราฉันน้ํามะพร้าวน้ําแตงโมน้ําสับประรดอู้มันใหญ่กว่าผลมะตูมไม่ได้ท่านก็หยุดฉันพอท่านมาทําอริวินยัยรู้ว่าผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติมาหาผลท่านก็กลับมาฉันอีกชีวิตมันเปลี่ยนหลายรอบมันก็เลยงงไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดเราก็เลยต้องเป็นเหตุให้เราต้องเช็คว่าเอ้ยาศาสนาพูดมันมาจากไหนกันแน่วะเนี่ย ใช่ไหมแล้วใครเนี่ยมันรู้จริงตําราไหนคือตําราจริงเราเคยไปอ่านคัมภีวิสุทธิมัชเล่นประมาณเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่วิสุทธิมัชบุพัศสิกขาปุพัสิกขาวันนาเล่นประมาณนี้ซึ่งหลวงปู่มั่นใช้นะ ห, หลวงปู่มั่นใช้หลวงพ่อชาก็ใช้ใครๆวัดป่าก็ใช้กันมาเรากน็นี่สุดยอดและเพราะหลวงปู่มั่นใช้เราก็อ่านอย่างดีอย่างละเอียดซึ่งมันอ่านยากมากยัง ถ้าไม่อ่านกันเพราะอ่านไม่รู้เรื่องอัตมาอ่านก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่ก็พยายามทนอ่านทนอ่านทนอ่านไปเรื่อยเรื่รู้เท่าที่รู้แล้วว่าทำชดโน้ตมาเก็บประเด็นเท่าที่รู้ได้นะหน้านึงอาจจะรู้แค่สองบรรทัดภาษามันภาษาเก่าอ่านยากมากแล้วเราก็อ่านหลายสิบรอบมากเลยเราทําชอดโน้ตหมดจนเราเร า, เรารู้สึกว่าเราเราเซียนละเราเซียนบุพศีขาละนะทั้งเล่มนี้ทั้งเล่มอยู่ในหัวเราละนะ <c oughs> ทีนี้ เราก็มาเอาไปใช้กับที่วัดอื่นพอไปที่วัดอื่นก็บอกเอ้ยไม่ใช่ต้องคําเพีวิสุธิมาร์กเราก็อ่ะแล้วบูพสิกามาจากไห น, นอ๋อมันมาจากวิสุธิมาร์กอ๋อต้องไปวิสุธิมาร์กอีกเนาะอ้าวไปวิสุธิมาร์กก็วิสุธิมาร์กวะนะเราก็ลากไปเจอทีนี้มันหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยนะมันหาที่จบไม่ได้แล้ววิสุธิมาร์กคุณมาจากไหนแก่มันมันเริ่มสาวละ กลายเป็นวิสุทธิมรรคก็แต่งขึ้นบุพสิกขาก็แต่งขึ้นกลายเป็นว่าพอไปเช็คเนี่ยบุพสิกขาเนี่ยของสมณะเจ้าเอามาจากบุพสิกขาของอมโลกเกิดอามาโลกเกิดเอามาจากวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคก็เอามาจากตัวพระไตรปิฎกอีกทีเราก็เลยอ๋อเฮ้ยมันต้องไปที่พระไตรปิฎกจนได้เว้ยเนี่ยนะทีแรกก็มานั่งอ่านพระไตรปิฎกอยู่นะอ่านไปอ่านมาอ่านอยู่อาทิตย์หนึ่งก็อ่านไม่รู้เรื่องจอย <S <S นะก็ท้อใจแล้วพระเจ้าพูดไม่รู้เรื่องวางพระไตรปิฎก นะกลับมาอ่านหนังสือหลวงพ่อชาเราดีกว่ารู้เรื่องตลอดสุดยอดแล้วไม่มีใครถูกสำนักอื่นผิดหมดสำนักเราถูกสำนักเดียวใช่อ่าเราก็ว่าอของเราแจ๋วสุดและนะเราคือปฏิบัติเราคือผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องใช่ไหม <c oughs> เราก็ยืนหยัดตรงนี้มาเรื่อยๆนะแล้วเราก็ว่าคำหลวงพ่อชาก็าสุดยอดแล้วเด็กรุ่นหลังๆมาอ่านหลวงพ่อช า, าไม่รู้เรื่อง เอ้ยมันได้ยังไงวะเนี่นะหลวงปูชาอธิบายดีที่สุดแล้วเก่งที่สุดแล้วทําไมมันนานไม่รู้เรื่องเหมือนโยมมา ว, ว่าอ่านคํำผู้เจ้าไม่รู้เรื่องทุกวันนี้อัตมาหาเรื่องเขบอกเฮ้ยทำไมมันไม่รู้เรื่องวันนี้ <c oughs> เจ้มะอ่มันก็เหมือนการเพราะคนรุ่นหลังๆๆๆไปเรื่อยๆคนยุคนี้ฟังมาหาสมปองรู้เรื่องโยงดูต่อไปนะไอ้เจเนอเรชั่นต่อไปมันจะฟังมาหาสมปองไม่รู้เรื่องเจ้มะอัตมาเริ่มเข้าใจละเริ่มเข้าใจละอ๋อสมัยก่อนเนี่ยคนอ่านหลวงปู่มั่นรู้เรื่องนะ พอเรามาอ่านหวงให้ไม่รู้เรื่องต้องอ่านหลวงพ่อชาเห็นไหมอ่าพอยุคเราอ่านหลวงพชารู้เรื่องให้ยุคหลังต่อไปมันฟังหลวงพ่อชาไม่ร th ู ops, them, ้เรื <harmon ics> ่องอย่างเนี้ยอ่ามันจะเป็นท่อทท่อทอย่างเนี้ยมันจะค่อยหลุดหลุดหลุดหลุดหลุดออกจากธรรมะไปหลุดออกจากสัจจความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะทีนี้พอเรามาดูเนี่ยพอเรามารู้จักพุทธวจนะเนื่องจากอ่านอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะมารู้เรื่องหลวงพ่อชาเราอย่างเดียว เทปกี่ร้อยม้วนของหลวงมอชาหนังสือหลวงมอชากี่ร้อยเล่มเราอยู่ในหัวเราหมดยมพูดมาปับ๊บเนี่ยรู้เลยอยู่ม้วนนั้นม้วนนี้เหมือนครูโจเลยนะอาตมาจะเหมือนครูโจแต่ก่อนนะแท็กนี้แท็กนี้แต่แท็กยังไม่มีนะต้องเทปม้วนนี้นาะทีนั้นประมาณนี้นะจําได้หมดอืมท่ น, นี้ <c oughs> พอมันเข้าใจธรรมะท่านหมดแล้วเนี่ยเอ๊ะมันไม่มีอะไรทําแล้วเนี่ยนะเดินโยงกลมนั่งสมาธิอ่านแล้วอ่านอีกมันก็ ตันละนะของท่านก็ไม่มีต่อละเราก็มีคนแนะนํามาอ่านจากพระโอษฐ์ท่านพุทธท่านแนะนํามาสี่ปีแล้วอาตมาก็ยังไม่อ่านนะก็วางไว้อย่างนั้นแหละพอปีที่สี่เริ่มว่งว้า ง, างเามาอ่านสัหน่อยว่านี่ม า, นนมาอ่านแปลมาพอเราตั้งใจจะอ่านจริงเอ้ยนี่มันคําพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยดีกว่าเด่นนิ ม, นมสอนพิสูจทั้งนั้นเลยก็เลยอยากจะรู้เออแล้วพระเจ้าเมื่อสองพันกว่า ป, ปีเคยพูดอะไรไว้ ก็จะแสดงว่าทําให้เราทําให้เราจะรู้หมดว่าผู้เจ้าเคยพูดอะไรไว้นะสิก็เลยเกิดความอยากที่อ่านแค่นั้นแหละทีนี้ตะลุยอ่านเลยเอย้ผู้เจ้าบอกอะไรบ้างบอกอะไรบ้างพออ่านไปเอ้ยโอ้ตรงนี้ตรงกับที่เราปฏิบัติอ่านไปเอ้ยตรงนี้เริ่มตรงเอ้ยผู้เจ้าพูดรู้เรื่องนี่แล้วมันตรงกันแล้วโอทีนี้มันอะไรทีนี้ตะลุยห้าเล่มจากพระโอที่อย่างเดียวเลยอยู่หกเดือนก็เลยอ๋อรู้แล้วนะ ไอทีมันบอกหกศอกสิบสองศอกไอโน้ไอนี่มันอยู่ในนี้หมดเลยนะอย่างเนี้ยนะถ้าในนี้ไม่มีก็คือไม่มีแสดงเข้าแต่งขึ้นใช่มก็เริ่มเข้าใจเริ่มโยงใหญ่ได้ละเริ่มจับประเด็นได้แล้วพอมาเจอ <c oughs> เจอพระสูตรที่บอกว่าอย่าฟังคำสาวกให้ฟังคำพระพุทธเจ้าเราก็งงลรวคาสาวกไม่ดีไงวันนีย <c oughs> เราก็เริ่มมาหาเอ๊ะท่านผุท่านาแปมัวปะ อาตมาก็ไปดูพระสูตรแล้วก็ไปเช็คกับมาหาม o n ุตเปิดของมาหาม o n k ปุตอา้าแปรเหมือนกันตรงกันเฮ้ยไปเช็คของมหาจุลายเล่มเช็คเอ๊ะแปรตรงกันอา้าวแสดงว่าท่านผู้ท่านแปลไม่มั่วอา้าวในเมื่อผู้เจ้าไม่ให้ฟังคําสาวกหรือคําแต่งขึ้นใหม่เอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะคําสาวกมันไม่ดียังไงอะไรยังไงใช่ไหมเพราะเราก็ศึกษาคําสาวกมาก่อน18ปีอย่างนี้ใช่ไหมก็เก็บเก็บข้อสงสัยนี้ไว้ก็ไม่เป็นไร ในยุคนั้นก็จะอ่านหลวงวาชาบ้างหลวงปู่มั่นบ้างหลวงตามหาบัวบ้างท่านผู้ทานบ้างพระพุทธเจ้าบ้างเพราะยังไม่เห็นความสําคัญของคำพุทธเจ้าร้อยเปอร์เซนจากนั้นก็เริ่มมาเจอที่พุทธเจ้าพูดมาเรื่อยๆในในสิทธพสูตรนี้ว่าเริ่มยืนยันมาเจอพระสูตรที่สองอ่ากรองศึกเออเฮ้ยศาสนาเสื่อมนนเนี่ยถ้าไปศึกษาคําสาวกอืมก็ยังเฉยเฉยอยู่อ่ะเปิดไปอ่านไปอ่านไป พุทธวจนะอ่ะเริ่มจับประเด็นได้ว่าออบริษัทที่เลิศไม่เลิศเป็นยังไงเริ่มจับประเด็นว่าผู้เจ้าห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิ่มถอนเอ๊ชัดชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเอ๊ะนี้ก็ผ่านอ่านมาต้องหลายทีแต่ไม่เข้าประเด็นไงพอเราเริ่มมาจับประเด็นเป็นกลุ่มปุ๊บเราเริ่มเห็นความสําคัญในตรงนี้บางคำเนี่ยมันเคยอ่านผ่านมาแล้วหลายทีแต่ก็ไม่เห็นความสําคัญของมันนะก็เลยเริ่มมาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจากนั้นก็เริ่มเริ่มวาง วางคําสาวกไปเรื่อยๆแรกๆ ก, ก็เเสียดายเดี๋ยวเราจะไม่มีปัญญาเก็บประเด็นที่สาวกเขาเจออันนั้นอันนี้ได้หรือเปล่าแต่เราก็มาใข้ควรอีกทีว่าผู้เจ้าคือสุดยอดแล้วนะอ่าทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดแล้วนั้นเราตัดความเสียดายตรงนั้นไปเลยและเมื่อเราเห็นจุดผิดที่ที่สาวกพูดแล้วมีข้อผิดเยอะๆนะที่ <c oughs> ไม่ตรงกัน เราอยู่ในหมู่คณะใหญ่เมื่อมีการประชุมนะก็มาถกกันว่าเอ๊ะใส่บาทเสร็จแล้วเนี่ยอาหารกลับมาต้องประเคนบาทใหม่ไหมนะร้อยสองร้อยสาขาก็คุยไม่ลงตัวกันแล้วก็เริ่มต่างคนต่างทำนะวัดนี้บินน บ, บาตกลับมาต้องประเคนบาทใหม่วัดนี้ไม่ต้องทำใหม่เริ่มแตกแยกและเริ่มไม่เหมือนกันแม้ในกลุ่มคณะของตัวเอง <c oughs> เพราะไม่ยึดพุทธวจนะใช่ไหมแล้วหลวงพ่อชาก็ไม่เคยตอบเอาไว้เพราะสาวกไม่ใช่สัพพัญญูใครจะไปตอบอะไรทุกเรื่องนอกจากพระพุทธเจ้าจะตอบทุกเรื่องมีคําตอบทุกเรื่องในพุทธวจนะแต่ในสาวกย่อมไม่สามารถหาได้เราสงสัยเรื่องคาถาบาตรอ่ะคาถาบาตจะทํำยังไงใช่ไหมอ่าอ้าวเวลาสาวกอประชุมแต่ละคนก็บอกอ้าวนี่อ้างบุพัสสิกานะอ่า ก็เอาไอ้บุพษษัสิกขานี่มานะเอาบุพัสิกขามาเนี่ยบุพัสิกขาบอกว่านะหัตถบาทคือระยะสองศอกกับหนึ่งคืบนะแล้วสองศอกนี่บุพัสิกขาก็อธิบายนะมีศอกมุติศอกกำมือกับศอกแบมือนะอืมเขาก็มาถกกันแล้วศอกอะไรเอาศอกแบมือสองศอกแบมือกัออกบ อ, กอีกหนึ่งคืบนี่คือระยะหัตถบาทแล้วก็บอกว่า คนที่บอกว่าต้องประเคนบาดใหม่เขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าญาติโยมเนี่ยเวลาตักบาดเนี่ยอยู่ไกลเกินหัตถบาดเขาชอบเอื้อมาใส่อย่างนี้ใช่ไหมก็เลยบอกว่ามันขาดประเคนนะไม่ได้ระยะหัตถบาดแสดงว่าเอามาฉันไม่ได้เขาก็เลยบอกให้มีเหตุผลว่าต้องอต้องประเคนบาดใหม่หาคารวาสมาประเคนอาหารนั้นใหม่เพราะอาหารเนี่ยน ะ, ะถ้าไม่ได้รับการให้จะฉันไม่ได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มาบอกว่าเอ๊ะ ทำไมไม่วัดระยะให้มันดีล่ะว่ามันห่างจริงหรือเปล่าก็เริ่มมีการวัดระยะว่าสองสอบนะแล้วเอาคนมายืนบินตาบาทแล้วเอาคนมายืนใส่บาทว่ามันได้ระยะจริงหรือเปล่าบุพสิาขาก็บอกอีกว่าถ้ายืนเนี่ยให้วัดจากส้นเท้าไปถึงอวัยว ะ, อะของผู้ให้เว้นมือที่ยื่นออกมานะอ่าเราก็ลองทำดูซิบอกอาจารย์โสพลอาจารย์ลองยืนใส่บาดผมสิครับอาจารย์ตักเนี่ย ถ้าอยู่ในระยะนี้เอาตลับเม็ดมายืดอาจารย์ยินตรงนี้นะอะไรมาถึงไหมเอ๊ะมันก็ถึงนี่ถ้าอยู่ในระยะหัตถบาตรนี่มันต้องถึงถ้าเลยไปเนี่ยมันตักไม่ได้แน่นอนเลยมือคนมันไม่ยาวขนาดนั้นอย่างเนี้ก็ <c oughs> มาดูบอกอาจารย์อาจารย์โสลองดูสิครับถ้าอยู่ในระยะหัตถบาตรนี่มันต้องได้นะทำไมมันต้องไปประเคนบาทใหม่ใช่ไหมสรุปแล้วที่ถกกันมาทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเพราะพระผู้เจ้าไม่เคยพูดระยะหัตถบาตรเลยเห็นไหม อยากจะเป็นลมที่คุยมาให้ยงมคอทั้งหมดเป็นคนตาบอดไล่จากสูบมันถกกันโอ้โหนะพอเราไปดูอะไปสืบคนผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องระยะหัตถบเอรจบกันไปวางไปซะเรื่องนี้นั่งถกกันมาแทบตายไงขอกาบอาจารย์ พันเตโต้แจ้งมาว่าถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้วค่ะได้แล้วเหร อ, หอขาดความมันไปหนึ่ง้นใช่ใช่ใหม่ใม่ใหม่ทางบ้านจะได้ได้ไดยิน <c oughs> ค่ะแล้วพระก็เห็นมาตลอดแต่ว่าตั้งใจเพิกเฉยเหรอคะหรือว่าเพื่อไม่พระสูตรนี้มันไม่ค่อยมีใครเจอไงอ๋อไม่คือไม่เห็ น, นกันก็ยังอย่างท่านผู้ทา่านก็ทํามาเนี่ย <c oughs> เนี่ยพระสูตรนี้ก็มีอยู่ในหนังสือท่านผู้ท่าน ท, าทำไมท่านผู้ทา่านไม่เก็บประเด็นนี้มาล่ะเห็นไหมคือสาวกแต่ละคนที่อ่านคําหรือศึกษาคํำพระสัสดาไม่ใช่จะเก็บประเด็นได้ทั้งหมดนะ <c oughs> ท่านผู้ทา่านเก็บประเด็นอะไรไนดะ้ต่ติดจัดสมุบาทซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ที่ไม่มีพระสอนเลยในยุคนั้นน่ะใช่ไหมท่านผู้ท่านาก็ตีประเด็นนี้ก่อนเลยเพราะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมอ่านั้นเวลาท่านผู้ทา่านเอาปฏิจจสุบาทมาคนก็เลยบอกว่าท่านผู้ทาตเทศไม่รู้เรื่องรวมทั้งอัตมาด้วยสมัยอัตมาปเป็นเด็กเป็นนักเรียนโยมแม่ก็จะเปิดวิยุนะอ่าฟังเทศตอนเช้าเราก่อนไปเรียนก็ฟังท่านผู้ท่านพระอะไรว่าพูดไม่รู้เรื่อง <S <S เราก็จะป่นอยู่คนเดียว น, นะแม่ฟังอะไรไม่รู้ใช่ไหม อู้ละลายไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้เพราะฉนั้นท่านเอาสิ่งที่ผู้เจ้าสอนแต่ไม่เคยมีพระองค์ไหนสอนมาสอนน่ะใช่มเพราะนั้นเป็นธรรมดาที่เมื่อมีใครเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นคําพระศาสด า, ศาในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังและเมื่อเราไม่ตั้งใจฟังไม่ค่อยรู้ไปตามลําดับเนี่ยมันก็จะไม่รู้เรื่องใช่ไหมนั้นท่านผู้ทานเก็บประเด็นตรงนั้นได้มันก็ถูกแล้วแหละคือใครศึกษาพุทธวจนะแล้วเก็บประเด็นใดได้ก็ชูประเด็นนั้นขึ้นมา อาตมาเก็บประเด็นใดไ ด, ได้ประเด็นเรื่องคำสาวกหรือคำแต่งใหม่อย่าไปฟังซึ่งมันกลายเป็นประเด็นที่มันกระเทือนไปทั่วประเทศร้อน<ำ>แรงมากใช่ไหเก็บประเด็นเรื่องอะไรได้อีกเรื่องละนันทิซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าสอนบ่อยแต่ไม่มีพระสอนเลยใช่ไหมอย่างนี้หรือว่าอาจจะเห็นกันแต่ไม่มีใครกล้าหรือเปล่าจ้า่อาจจะเป็นไปได้แต่ ไม่รู้สิยังยังไม่ยังไม่เคยเจออาจจะเห็นอาตมาว่าคือคือถ้าไม่ใส่ใจมันจะอ่านแล้วมันก็เพลินเพลินไปะนะมันก็จะผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าเออก็ชื่นชมผู้เจ้าอยู่อ่ะแต่ก็ยังชื่นชมคําสาวกเนื่องจากไม่รู้อะไรบ้างอาตมาก็มาวิวิเคราะห์เอาเองเหมือนกันเพราะนั้นอย่างในแผ่นพับเนี่ยที่เก็บประเด็นได้เนี่ยก็ก็ด้วยการที่เราเราจะต้อง ต้องมีข้อว่าแล้วแล้วถ้าอ ค, าคําสาวกไม่ให้ฟังเนี่ยแล้วคําแล้วผู้เจ้าเก่งแค่ไหนล่ะนั้นมันก็อ่านไปเจอพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มันก็เริ่มจับประเด็นได้ว่าเอ๊ะผู้เจ้ากําหนดสมาธิทุกครั้งคํำผู้เจ้าไม่ขัดแยง้งซึ่งพระสูตรพวกเนี้ยมันกระจายอยู่ในพระตรปิฎกเวลามันไปอยู่เดียวเดี่ยวพระสูตรเดียวมันไม่มีความสําคัญนะโยมนะผ่านยมันจะผ่านไปเลย นะเวลามันอยู่เดียเด่ยวๆเนี่ยนะมันจะผ่านไปเลยแต่พอเอามารวมเรียงร้อยกันแล้วมันมีความสํมาคัญขึ้นมาทันทีเลเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาทันทีแล้วจะเห็นความความสอดรับกันที่ผู้เช่าพูดไว้พูดไว้พูดไว้อย่างเนี้ยนะอาตมาว่ามันเป็นความบังเอิญเป็นความโชคดีด้วยเพราะแต่ละประสูนยเนี่ยอาตมาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเจอนะหรือจะไปค้นคว้าเรื่องนี้เรื่องเดียวนะอ่านเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเอ้าเจอประเด็นนี้ขึ้นมาอ่านเรื่องนี้เอ้าเจอประเด็นนี้อีกแล้ อย่างเนี้ยเป็นเหตุปจ<อ>ัจจัยให้พระอาจารย์เอเป็นคนแรกอย่างเรื่องภาษาลีบุตรที่มีคําพูดบกพล่องเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีใครหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาน ะ, ะอาตมาก็ไปเจอในช่วงอาตมาทำหนังสืออริวิไนไม่ใช่ว่าจะมาหยิบประเด็นนี้เป็นหลักนะพอทําอริวิไนเนี่ยแล้วเราก็เห็นพระพุทธเจ้าขัดแย้งภาษาลีบุตมันก็ลิงก์ไปได้เลยว่าปัญหาที่เราคาอยู่เนี่ยใช่ไหมว่า ภาษาลิบุตรยังพลาดเลยนี่ว่าเนี่ยโอ้นี่มือขวาผู้เจ้าเก่งรองผู้เจ้ายัางพลาดเลยโอ้ราะนั้นสาวกคนอื่นพลาดได้หมดนั่นแหละนะอา่าเราก็เริ่มหยิบหยิบยิบยิบมาได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าโยมอยู่กับปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้ได้นานๆเนี่ยโยมก็จะเจอพระสูตรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆที่สอดรับกั น, น <c oughs> พอเข้าใจนะ โอยกว่าจะขูกคิดขุกคิดมาเนี่ยแหลนะนะมันก็ผิดบ้างถูกบ้างนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ก็บ่าโมงกว่าแล้วเนา ะ, ะเดี๋ยวทำสมาธิกันสักพักหนึ่งก่อนเลิกน ะ, ะสักข้านาที ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกของเรา ออกจากสมาธิก็ให้เราตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปลมทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายนรนกกันเ ด, ดเดจารณ์ในเปรตวิสัยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดก็ขอให้มีส่วนแหน่งบุญกุศลที่เราได้กระทำไม่ว่าจะเป็นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีสมาธิปัญญาบา ร, รมีต่าง ก็ขอให้เขามีส่วนหนึ่งบุญอันนั้น นั้นค่อยๆ อ, ออกจากสมาธิมาก็ขอพรพุทธนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสร้างบุญคุศนสั่งสมสุตตะในคำของพระธร า, าคตฏ <c oughs> ก็ขอให้มีความจเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระาศาสดามีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดวางสิ่งใดให้สมเร็จสมความปรารถนา ที่สุดกยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมักผลนิพพานในนาคตการนั้นใกล้โดยเท้าหน้ากันทุกท่านทุกคนเทือน